อาจารย์ครับกลาวธรรสการ์ารครับผมเจรรยพรคุณหมอแนละท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับ อ, อาจารย์ครับสัปดาห์นี้คนมาใส่บาตรยังเยอะอยู่ไหมครับอาจารย์วันนี้พอสมควรหกร้อยยี่สิบห้าคนไดกันประมาณยี่ไม่ถึงสามร้อยสองร้อยเก้าสิบกว่าแต่วันนี้มันเป็นวันพระด้วยเรเป็นวันหยุดราชการด้วย วันมาสายเยอะนะพรุ่งนี้ยังหยุดอีกวันหนึ่งนะครับอาจารย์พรุ่งนี้เป็นวันหยุดชดเชยๆน่าคงจะไม่มากอาจารย์ครับวันนี้ครั้งที่166แล้วครับอาจารย์ครับก็อยากจะกราบขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องขันติครับจะได้เตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปใช้ใช้ใช้ขันติ ไปทำงานต่อครับอาจารย์ mm hmm. ครับกล mm hmm. ับมาได้ตามอาจารยครับผมคือขันตินี่มันมีอยู่สองแบบคันติที่เป็นธรรมชาติกับคันติที่ไม่เป็นธรรมชาติคือต้องฝืนต้องบังคับสําหรับคนส่วนใหญ่ที่ไม่ได้ฝึกจิตนี่ก็จะมีคันตะแบบที่จต้องคอยบังคับเวลารู้สึกโกรธก็ต้องคอยห้ า, าไมไม่พอไม่พอใจหรือเจอกับปัญหาเจอกับสิ่งที่ทุกอย่างลําบาก อาจจะคิดทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายก็ต้องใช้คันติความอดทนต้องคอยบังคับคอยห้ามนะอันนี้เป็นเป็นคันติแบบที่ต้องคอยบังคับก็ขึ้นอยู่ว่ามีความอดทนมากน้อยเท่ไหรความอดทนน้อยก็ทนทนได้ดอกน้อยถ้าความอดทนมากก็ทนได้มากอาจจะอยู่ที่การฝึกฝนอบรมมาแต่วิธีที่จะทําให้เรามีขันติแบบธรรมชาตินี่ เราต้องทำใจให้มีอุเบกขาขึ้นมาเพราะถ้าใจที่เป็นอีอุเบกขาใจจะวางเฉยใจจะเป็นกลางใจจะไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงกับสภาวะธรรมหรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นการที่จะมีอเุเบกขาก็ต้องมีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอพรึกสติ เมืนั่งสมาธิให้ใจลงมเป็นสมาธิขึ้นมาแั้วก็จะมีอุเบกขาปรากฏขึ้นมาในใจตามลำดับคนที่มีสมาธิมากจะเป็นคนที่ใจเย็นมากต่จะไม่ค่อยวุ่ว่าเป็นใจที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงไม่เดือดร้อนกับสิ่งที่มากกระทบแก่จิตใจ แต่ก็ยังเป็นอุเบกขาที่ยังไม่ยั่งยืนถาวรถ้าไม่ได้ฝึกไม่ได้ปฏิบัติสมายที่อุเบกขาก็จะเสื่อมลงได้ถ้าต้องถ้ า, ถามีการปฏิบัติอยู่อย่างต่อเนื่องมันก็จะรักษาระดับของอุเบกขาไว้ได้แต่ถ้าอยากจะให้อุเบกขานี่เป็นอุเบกขาแบบยั่งยืนถาวรก็ต้องใช้ปัญญามาช่วย สอนใจให้มองให้เห็นว่าสภาวธรรมต่างๆที่เรามาสัมผัสรับรู้เนี่ยมันเป็นอนิจจังไม่เทีย่ยงไม่แน่นอนมีขึ้นมีลงมีมามีไปมีดีมีเชื่อมีสารเสรินมีดินทาคือองค์เห็นความเป็นอนิจจังของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นโลกธรรมเนี่ยมันเป็นของไม่ไม่แน่นอนมีขึ้นมีลง วิ ส, สันต์รัศมีนินทาแล้วก็มันเป็นอนาตตามันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เวลามันเกิดขึ้นเราก็ต้องทําใจถ้าเราไม่อยากจะทุกกับเหตุการณ์ต่างๆถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นเพราะเวลาถ้าเราถ้าเกิดเราไปตอบโต้มันก็จะทําให้เกิดปัญหาตามมากลายเป็นเรื่องใหญ่ตโต อยากเป็นคำพดเ ด, ยเดียวก็อาจจะกลายเป็นสองข่าวขึ้นมาก็ได้เพราะไม่มีปัญญาไม่มีอุเบกขาถ้ามีปัญญาไมีอุเบกขาก็วางเฉยใครก็จะว่าไงก็ว่าไปก็ก็มีคําพูดคําสอนที่ส่สอนมากถ้าเขาไม่ชอบเราก็คิดเสีย ว, ว่าดีแล้วเขายังไม่ด่าเรานะถ้าเขาไม่ด่าเราคิดว่าดีแล้วเขายังไม่ตีเรา ถ้าเขาตีาเราเขาคิดว่าดีแล้วเขยังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราเขาคิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมไปเวรต้องใช้เวรต้องใช้หนีไม่พ้นถึงเวลาที่จะต้องใช้เวรแม้แต่พระโลคคานะเป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องใช้เวรท่านบอกถ้าใช้อ่ที่เล็กของท่านคอยหนีเวรอยู่ได้เลยมันก็ตามมาอยู่ได้เลยแต่ใดที่เวรมันยังไม่ได้รับการตอบสนองมันก็ยังจะตามมาล้ามแค้นอยู่ ก็ปล่อยให้มันจัดการเต็มที่เลยเอาเลยดูเลยอยากจะทำอะไรทำไปเลยเดีย๋ยวมากก็แค่ตายยังไงก็ต้องตายอยู่ดีแต่าตายแบบนี้ได้กำไรคือได้ใช้เวรใช้กรรมไปได้หมดเวรหมดกรรมไปนี่คือ ว, วิธีหลักการของการมีขันติแบบโย มีสองวิธีแบบฝืนก็คือเนี้ยคอยฝืนคอยเวลาใครก็พูดอะไรทำอะไรไม่ดีแล้วทให้เกิดโทสะใช่ไหมบทีเราก็อดไม่ได้ที่จะต้องมีการตอบโต้องการอะไรไปแล้วมันกลายเป็นเรื่องใหญ่โตตามมาเดี๋ยวก็น้องไปขึ้นนงขึ้นสารว่างเป็นประมาทจนเป็นเรื่องไปแล้วแต่ถ้าเรามาฝึกสตินั่งสมาธิบ่อยๆใจก็จะมีเหวขา เราเวลาไม่อยู่ในสมาธิก็สอนใจว่าให้มองทุกอย่างว่าเป็นตายรักเนะีะเป็นอนิจจังไม่เที่ยงไม่แน่นอนมีดีมีเชื่อมีสนุสเสยมีนินทามีคนที่ชอบเรามีคนที่เกียดเราเราไปบังคับเขาไม่ได้ไปให้เขาไม่ได้ฝ่ายเขาทาตามเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาไม่ต้องเป็นผู้รับผลของการกระทําของเขาเองเขาด่าเราเขา เขาเขาพูดปดใส่ร้ายเรากรรมก็อยู่ที่เขาไม่ได้อยู่ที่เราเขาพูดปดเขาก็ต้องนําผลของการพูดปดของเขาไปแต่นําเป็นเพียงแต่ผู้รับรู้ก็รับรู้ไปเฉยๆแค่นี้ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปตอบโต้เรื่องก็จะไม่บาปตาเดี๋ยวเขาเหนื่อยเขาก็อยู่เงองผครูค้สึกโชคดีมากเลยครับอาจารย์ สัปดาห์หนึ่งก็ได้พระอาจารย์ให้สติให้ปัญญาแต่ครั้งไม่เข้า <c oughs> เป็นพู้สลัง <c oughs> คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์มากนะเพราะยิ่งเข้าไปอยู่ใน่้ำกลางของบุคคลต่างๆที่มีสระมีความคิดเห็นแตกต่างกันไปเมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกล้ า, า จ, จะมีการโต้เถียงกันก็ได้ก็ต้องตั้งสติให้ดีครับ <C oughs> ผมถ้าจะตั้งโ<อ>ดยสันติก่อน กลับบ้านก็นมาฝึกสติฝึกนั่งสมาธิอย่าขันเคยนั่งสมาธิเท่าไหร่ก็พยายามนั่งต่อไปเนีย่ยการนั่งสมาธิของเรามันมีผลดีตอนที่มันทําให้เรามีอุเบกขาในระดับของเราถ้าเรานั่งมากเราก็จะมีอุเบกขามากถ้าเราไม่นั่งแล้วมันมันจะค่อยๆหายไปนะอุเบกข า, า, า, า, า, าจิตเสื่อมได้อุเบกขาที่เขาเรียกว่าอุเบกขาเสื่อม่็จิตเสื่อมเนี่ย ตอนที่หลวงตาบอกว่าจิตเสือมก็คืออุเบกขานั้นเสื่อมไปใช่ไหมครัใช่เข้าสมาธิไม่ได้นะมันจะกลับเข้าอุเบกขาจิตมันปรุงแต่งมันฟุ้งซ่านมันไปคิดโน้นนั่นโน้นนี่อะไรไม่สามารถกลับให้จิตกลับเข้าไปสู่อุเบกขาได้จิตเริ่มนอนนะเริ่มฟุ้งซ่ า, านขึ้นมากรคิดถึงสติขึ้นมาเน้นใจกันนึกได้ออกวิธีจะเข้าสมาธิต้องใช้พุทโธพุทโธท่านก็เลยกลับมายุดพุทโธ ไม่เปมีความอยากจะให้มันสงบให้อยู่กับพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันทั้งคืนอ่าเดี๋ยวสติก็กลับมาแล้วพอนั่งสมาธิมันก็เข้าสู่สมาธิได้ครับขอบพระคุณพระอาจารย์นี้ให้ปัญญาครับอขอโอกาสถามจากเพื่อนั้งนะครับขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนำวิธีทำให้จิตตั้งมั่นครับจะต้องทำอย่างไรครับก็นี่ยห่ะต้องมีสตินี่ไ มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ลอยไปลอยมาใจเราเป็นเหมือนเรือที่ลอยอยู่ใน น, ใน้ำในในในน้ําน้ํามันก็มีกระแสน้ําใช่ไหมเวลาเขาต้องการจอดเรือเขาก็ต้องผูกเรือไว้กับท่าหรือท่อสมอเรือเโดยถึงจะไม่ไหลไปตามกระแสน้ําใจก็เหมือนกันใจถ้าไม่มีสมอเรือก็คือไม่มีสตินั่นเองไม่มี็นกรรมฐานไม่ยึดไม่เปพุโทโธไว้ ยึดเหนี่ยวจิตใจปล่อยให้ใจไหลไปตามความคิดมันก็ไม่ตั้งมัน่นแล้วความคิดมันก็ทําให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ถ้าเรามีกรรมฐานมีสติมีที่ตั้งของจิตที่ผูกจิตไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆจิตก็จะตั้งมั่นเข้าสู่สมาธิได้เวลาจิตอยู่ในสมาธิก็เรียกว่าจิตตั้งมัน่น เราจะอดทนกับคนที่ทําร้ายครอบครัวเราได้อย่างไรใช้ความอดทนขันติอย่างไรถึงจะเลิกไม่ต้องวนเวียนครับก็อย่างที่บอกว่านีนะ เ, เขาทําเราเพีงแค่นี้ดีเขาไม่ทําร้ายเรามากกว่านี้แค่นี้เราก็สบายใจแล้วเอ า, วาดีนะเขายังไม่มาเผาบ้านเราหรอือโกหกไปคิดถึงเหตุการณ์ที่ย้อนเวร้าไปก่อนนี้ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ถ้าเราอยากจะมีคันติจริงๆอดทนจริงๆไม่ตอบโต้จริงๆก็ปก็ทําไปอย่างมากก็แค่ตายเกิดมาเล่นชีวิตก็ต้องตายตายแบบใช้เวรใช้กรรมนี้ได้กํำไรดีกวก็าตายแบบไปสร้างเวรท้ากรรมนี้ขาดทุนเพราะมันจะข้ามภพข้ามชาติตามไปล้างแค้นกันต่อในภพหน้าชาติหน้าต่อไปคุณดําครับ ศีล ส, สมาธิปัญญาทางพุทธศาสนาข้อใดสําคัญที่สุดครับมันสําคัญทุกข้อนะมันเป็นการปฏิบัติเป็นขั้นบันญญายันกับการเรียนหนังสือเนี่ยชั้นประถมสําคัญไหมชั้นมัธยมสําคัญไหมชั้นอุดมศึกษาสําคัญไหมมันก็สําคัญทั้งหมดแหละตามตามตามระดับของผู้ศึกษาผู้ศึกษาถ้ายังไม่มีพื้นฐานอะไรก็ต้องเริ่มต้นที่ขั้นปรถมก่อนเดี๋ยวมี้ก็ให้เริ่มต้นที่ขั้นอนุบาลไปฟังไป แล้ค่อยไต่ตข้า้ค่อขั้นปฐมขึ้นไปตามลําดับจิตของผู้ที่ยังไม่ได้รับการอบรมก็เหมยอนกันก็ต้องรับการอบรมเป็นขั้นไปขั้นหน้าก็ต้องควบคุมให้อยู่ในศีลธรรมให้ได้ก่อนไม่ให้ไปทำบาปไม่ให้ไปสร้างปัญหาไปทํร้ายพูดแล้วก็เป็นมันจะเป็นปัญหากรรมาธิตัวเองอืรักษาศีลได้แล้วก็จะมีเวลาไปฝึกสมาธิได้ฝึกสมาธิ จิตก็จะมีความสงบมีพลังที่จะคิดไปทางปัญญานะฮะพอคิดไปทางปัญญาก็สามารถทําให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้พระพุทธเจ้าทรงแสดงความสําคัญของศีลสมาธิปัญญาไว้ว่าสมาธิที่มีศีลเป็นผู้อบรมนี้จะมีอนิสงส์มีประโยชน์มากปัญญาที่มีสมาธิเป็นผู้อบรมจะมีอนิสงส์มีประโยชน์มาก แล้วจิตที่มีปัญญาเป็นผู้อบรมจะหลุดพ้นจากความทุกข์โดยถ่ายเดียวสมาธิต้องมีศีลเป็นผู้อบรมเป็นผู้สนับสนุนที่จะทําให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ต้องมีศีลโดยเฉพาะศีลแปดขึ้นไปเพราะศีลแปดจะทําให้เร า, าไม่สามารถไปทํากิจกรรมทางกลามอารมณ์ได้ก็จะทําให้เราในเวลามาฝึกสมาธิมากขึ้นแล้วเราฝึกสมาธิมากขึ้น ผลของการฝึกสมาธิก็จะปรากฏมากขึ้นจิตก็จะสงบมากขึ้นแล้วจิตที่สงบมากขึ้นก็จะเป็นจิตที่สนับสนุนการเจริญปัญญาให้พิจารณาทำได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลาอันยานานจนสามารถจดจำและเข้าใจจนไม่หลงไม่นืได้เผอเกิดกิเลส ข, ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาเข้ามาชระดึจกิเลสได้ จิตที่มีความทุกข์จากกิเลสก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ของกิเลสได้เนั่นมันเป็นทําต่อเนื่องกันมันที่มันสนับสนุนกันอาจารย์ครับเมื่อสักครู่มีคําถามบอกว่าคนที่ถือศีลห้ามีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ด้วยไหมครับคือมันต้องมีสองสองสองอย่าง ค, คือบางคนก็บอกพระโสดามันก็เป็นแต่ไม่ไ ม, ไม่รักษาศีลห้าก็เป็นพระโสดามันได้ อันนี้มันหมายถึงท่านท่านบรรลุเป็นระโสดาบันเพราท่านมีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการกระทำบาปนี้เอจะทําให้ต้องไปใช้กรรมในบายได้ไม่คุ้มเสียให้ก็ลยรักษาสินหไปตลอดชีวิตแต่ท่านยังไม่สามารถที่จะรับการมมาลงต่างๆได้ท่านถ้าต้องตามรับการมมาลงท่านก็ต้องไปถือสินแปดหรือ นี่ใบเจริญปัญญาให้เห็นนสุภาขึ้นมาถึงจะเลอกการมาลงได้แต่สําหรบคนบคนที่สมมติว่าชาติก่อนเคยฝึกสมาธิมาแล้วจิตสงบแล้วไม่จำเป็นจะล่งถึงสีแ8ก็ได้เพราะมันมีสมาธิอยู่ในตัวแล้วถือเพียงสีหน้าก็ได้นั่งอยู่เฉยจิตก็รวมได้ก็สามารถถึงสีหน้าแล้วก็ฝึกสมาธิได้ แล้วคนที่มีสมาธิมาก่อนแต่ถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิมาก่อนจะใช้สินห้ามันมีกําลังไม่พอที่สนับสนุนให้จิตเข้าสมาธิได้เพราะเพราะจิตมันยังคิดไปถึงการหาความสุขทางตาหูจมูเกเย็นกายอย่งว่าคิดอยากจะไปกินไปดื่มถ้าถือสินห้าก็กินดื่มได้ตลอดเวลาน้าเที่ยวก็กินได้ เวลาที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติสมาธิก็เอาไปเสริรูปเสียงกลิ่นรดแทนเสียงไปดูหนังฟังเพลงดู YouTube ดูกินายิ่งตอนนี้มีโอลิมปิกอะไร้ย่างนี้นก็อะไรถ้าคนที่ยังไม่มีสมาธิยังเข้าสมาธิไม่เป็นเนี่ยถ้ามาถือสินห้าเราหวังว่าจะฝึกสมาธิได้ดนี่ยากเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าคนเคยเข้าสมาธิแล้วมีสมาธิมาในอดีตแล้วสามารถเข้าสมาธิได้ แต่หาที่สงบไม่ต้องมีใครมารบกวนใจอย่างนี้เขาก็ไม่ต้องเขาก็ไม่ต้องถือสี่ห้าเขาไม่ต้องถือสี่แปดก็ได้เขาว่าถือสี่แปดโดยอตั ต, ต, อ ต, อโยอตโนมัติ่เวลาเขาเข้าสมาธิเขาก็เมือนต้องมีสี่แปดโดยอัตโนมัติก็ไม่เสกกลางมีคําถามว่าความอดทนใกล้เคียงกับการวางอุเบกขาไหมครับมันก็เป็นผลจากการวางอุเบกขานะถ้ามีอุเบกขาใจก็จะว่างจาก ควานับชังกลัวหลงยันจะเจอเหตุการณ์อะไรก็จะเฉยเฉยไม่รักไม่ยินดีไม่ยินร้ายใครนด่าก็ไม่ไม่ไม่ไม่ยินร้ยนาไไไไไ ย, นนยไม่เสียใจไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ไม่ตื่นเต้นดีใจยิ้มเฉยนั่นก็จาอดทนกับสิ่งที่มากระแทกกระทําได้คนจะพูดเหยดนยาวคนจะพูดอะไรต่างๆไม่ดนต่างๆกับเราเราก็เฉยเฉยไปแค่นี้ถ้ามีวูเบคขาแต่ถ้าไม่มีเบคขาเราต้องใช้ ขันติแบบแบบบังคับให้เ hey, ฉย น, นะเฉยอยา่าไปมิ้นหนักเขาหนะ่ะค่ะคุณเพนครับมีคนล้ำเส้นในงานเราเราจะทําขันติอย่างไรดีครับก็อย่างว่าเราเราพูดกับเขาได้หรือเปล่าเนี่ยพูดมาพี่ล้ำเส้นนะอถ้าคุยกันได้ก็คุยกันไปถ้าคุยแล้วก็ก็ยังเขาไม่เขารบกวนกันเลก็ ว่ปล่อยไปเดี๋ยวก็มีกรรมการมาจัดการเขาเองไม่ยากก็เล้วไม่ใช่หน้าที่ของเราถ้าเราไม่ต้องการจะไป ม, มีเรื่องมีปัญหากับเขาก็ปล่อยเขาไปอาจารย์ครับคําว่าผลใหญ่อานิสงส์ใหญ่ต่างกันไหมครับอันเดียวกันอานิสงส์ก็คือผลผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําอย่างใดอย่างหนึ่งคุณธนพงศ์ครับ สำหรับนักปฏิบัติต้องถอนคำอธิษฐานพุทธภูมิไหมครับช่วยอธิบายเรื่องพุทธภูมิให้ฟังหนึ่งครับคือการอธิษฐานมันไม่ได้เกิดจากคำพูดนะมันเกิดจากความตั้งใจตั้งใจว่าจะไปสู่พุทธภูมิในยการบำเพ็ญบารมีทั้งสิบต้องบาเพ็ญเมตตาบารมีก่อนก็เลยต้องทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นก่อน ท่าเบางคมาเกิดในภพใ้ชานี้เคยตั้งจิตแล้วทุกภพทุกชาติจะต้งองความเป็นทานศีลบา ร, รมีเอ่อเมตตาบา ร, รมีทานบา ร, รมีต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนก่อนที่จะช่วยเหลือตอนเองถ้าทําอย่างนี้ก็เวลาเวลามาเจอใครเขาก็ต้องมาขอร้องขอความช่วยเหลือเราเราจะไปบวญก็บุญไม่ได้ไหนต้องดูแลพ่อแม่ดูลาพี่นะ้องอะไรดูแลคนนั้นคนนี้อันนี้ก็จะทําให้ ไม่สามารถที่จะไปไปบวชไปไปปฏิบัติธรรมเพื่อให้มรุปเป็นพระอาหารในพรมนิชฌานนี้ได้เพราะติดกับความตั้งใจว่าจะต้องช่วยเหลือคนอื่นก่อนที่จะช่วยตนเองอยากได้ให้มีคนที่เราเนีต้องช่วยเหลืออยู่ไม่ต้องช่วยเหลือกขไปเรื่อยๆยอมเสียสละออันนี้ก็ทําให้จะไม่สามารถที่จะไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นได้เพราะการจะหุดพ้นต้องไปปรียบว่ยเว่ยอยู่คนเดียวอย่างหลวงปู่มั่นเนี่ย ท้าที่ท่าที่ได้ยินใน้ฟังประวัติของท่านท่านก่อนอ่าไปปีกเื่อยได้ก็อายุหกสิบเข้าไปแล้วก่อนหน้านั้นท่านก็เป็นเป็นครูเป็นอาจารย์สอนลูกศิษย์ลูกหาให้รู้จักวิธีฝึกสมาธิเพราะท่านมีสมาธิท่านมีปัญญาแต่ท่านไม่มีปรรัญญาท่านยังไม่หลุดพ้นโดยที่สุดท่นานก็ตัดสินใจว่าไม่ไหวแล้วช่วยเหลือคนอื่นไปอยนี้ ไ, ไปเรื่อยๆตัวในตัวท่านเองก็ไม่มีวันที่หลุดพ้นได้ ทา่านก็เลยหนีไปอยู่บําเพ็ญอยู่ตามลําพังในป่าตามที่ภาคเหนือแถวเชียงใหม่เน่ยแล้วก็ได้หลุดพน้นในพะาะละในช่วงอายุตั้งแต่หกสิบไปแล้วเนี่ยถ้ายั ง, งบำเพ็ญบารมีเมตตาบา ร, รมีอยู่ช่วยเหลือคนนั้ น, นคนนี้อยู่สั่งสอนมูกศิษย์โนหาวิธีฝึกสมาธิอยู่อะไรนี้ท่านก็ไม่มีวันที่จะมีเวลาไปปฏิบัติเพื่อเจริญ ปัญญาเพื่อที่จะได้หยุดพ้นได้ น, นี่อาจจะเป็นเพราะทาตก่อนท่านเคยมีความปรารถนาพุทธภูมิปรารถนาที่จะสร้างเมตตาบาลีช่วยเหลือผู้ให้ความช่วยเหลือสองเคราะห์กับใครที่ต้องการขอความช่วยเหลือมันก็เลยติดมันเป็นนิสัยนะแต่พอมาวิเคราะห์แล้วท่านก็เห็นว่ามันจะ การจะเป็นไปพุทธภูมิมันไปได้แต่มันมันดีแต่มันใด้เวล า, าหลายแสนภพเรากลับมาเห็นว่าตายเกิดนี้ไม่รู้กี่แสนขั้นกว่าจะได้เป็นพระพุทธเจ้าได้มาแต่ตอนนี้เรามีพระพุทธเจ้ามาสอนแล้วเราไปตามที่พระเจ้าสอนจะดีกว่าง่ายกว่าเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีก็บรรลุได้แต่ต้องไปปิดวิเวงต้องไปเป็นแบิอยู่ตามลำพังอันที่สุดท้ายก็เลยถอน ถอนคือเปลี่ยนใจถอนนิทิทานกคือเปลี่ยนใจตอนนี้ไม่ช่วยใครแล้วตอนนี้ช่วยตัวเองก่อนตามที่เจ้าส่งสอนว่าสังขารของไม่เที่ยงจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถอดให้ยังประโยชน์ตนก่อนไม่ค่อยไปยังประโยชน์ของผู้อื่นทำตนให้บรรลุ ก, ก่อนแล้วค่อยไปสอนคนอื่นให้บรรลุตามท่านก็ทําอย่างนั้นพอท่านบรรลุแล้วที่ท่านกำลัสั่งสอนครูบาอาจารย์ต่างๆให้บรรลุตามเป็นจํานวนมากเลย แต่ก่อนหน้านั้นตอนที่ท่านยังไม่บรรลุท่านไม่ไม่สามารถสอนใครให้บรรลุธรรมได้เลยตอนนี้อย่างมากก็วิธีฝึกสมาธิด้วยนี่นอยากจะเลิกกับแฟนแต่เขาจะตามหาต้องทนอยู่เพื่อมีชีวิตรอดต้องทำอย่างไรถึงจะตัดขาดด้วยดีครับมันก็อย่างที่พูดได้ฟังเวรที่มันหนีไม่พนนะ้นอ่ะมันหนีไปวันหน้าเขาก็ตามมาอีก อย่างนั้นก็ทำที่ดีก็อยู่เฉยๆให้เขาตามมาแล้วให้เขาทำไปตามที่เขาอยากจะทําออย่างอย่างร้ายอย่างร้ายที่สุดเขาก็ฆ่าเราะทำร้ายกว่านนั้นแล้วก็มันก็มันก็ทนพอทนอยู่ก็ได้แล้วเดี๋ยวเขาเขาเบื่อเขาหยุดเขาเหนื่อยเขาก็หยุดเองแล้วเขาได้ทำํำไปตามที่เขาต้องการจะทําแล้วเวรก็จะได้หมดกันถ้าหนีก็ต้องหนีกันอยู่ด้วย คุณบุญยรัตครับขอทราบว่าเมื่อออกจากสมาธิแล้วให้พิจารณาปัญญาคือพิจารณาอย่างไรครับคือปัญญาให้เราพิจารณาสิ่งที่เราเกี่ยวข้องด้วยเช่นทรัพย์สมบัติเข้าของเองินทองถ้าเรายังมีความผูกพันอยู่กับสิ่งใดให้พิจารณาสิ่งนั้นก่อนเราผูกพันกับทรัพย์สมบัติลาหมยศสรรเสริญเราก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นตายแล้วมันเป็นของไม่เที่ยงมันมีจรรยามีเสือ่อม เราห้ามมันไม่ได้เวลามันจะเสื่อมเวลามันจะจากเราไปเราน่าห้ามมันไม่ได้สันทร์ให้ใจเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้เป็นการพลาดพาดจากกันจากของที่เรารักนเว่าะของที่เราลักมันเป็นปลาลักมันเป็นเรอนิจจังไม่เที่ยมมันจะทําให้เราทุกข์ถ้าเราไปอยากให้มันเที่ยมเวลาอยากจะให้มันอยู่กับเราแล้วเวลามันไม่อยู่กับเรามันก็จะทําให้เราทุกข์ได้เห็นต้องยอมรับเวลามันอยู่ก็อยู่ไปเวลามันจะไปก็ปล่อยมันไป เราห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตานี่คือการพิจารณาปลายรักกับสิ่งต่างๆที่เราวันหงวันหนึ่นองอาจจะต้องมีการพัดพลาดจากกันไปถ้าเรายังยึดยังติดยังรักยังโวงยังหว่งหวงอยู่เราก็ต้องพิจารณาสิ่งนั้นจากชุดขั้นแรกก็พิจารณาของนม้ากายก่อนนับยศสรรเสริญนับพิจารณาคนที่ใกล้ที่เรารักเราชอบสามีเราภรรยาเราบุตรที่ดาวของเรา มีดามมาดามของเอาเป็นต้นคนที่เราลัดเราห่วงเราห่วงอาจจะตายจากเราไปเมื่อไหร่ก็ได้อาจาจะเป็นอะไรไปขึ้นมาก็ได้พิกลพิการขึ้นมาก็ได้มันมีอะไรการต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้ที่เราจะต้องทำใจเวลาเกิดขึ้นมันจะไม่เดือดร้อนถ้าเรารูา้เบ้ก่อนว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่อาจจะเกิดขึ้นได้กับทุกคนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเกี่ยวข้องด้วย พอเราปล่อยวางของภายนอาได้แล้วเราก็มาปล่อยวางของที่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือร่างกายของเราเราก็ยังรัียงหวงร่างกายอยู่เราก็พิจารณามันก็เป็นตายนับเหมือนกันมันก็มีการเกิดมีการดับแล้วก็พิจารณาเวทนาความรู้สึกที่เกิดขึ้นจากร่างกายมันก็มีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งไม่สุขไม่ทุกข์เราก็ไปควบคุมบังคับมันไม่ได้เวลาร่างกายจะเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้ เราสามารถสอนใจไม่ให้ทุกข์กับมันได้ด้วยการยอมรับปล่อยวางอย่าไปอยากให้มันไม่เกิดเวลาเกิดก็ยอมรับอย่าไปอยากให้มันหายเมื่อมันยังไม่หายเดี๋ยวมันก็หายเองมันเป็นอนิจจังไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องหายหายเป็นมันหายตายมันต้องหายอย่างใดอย่างหนึ่งตายก็หายเหมือนกันไหครับอาารย์ตาคือการวิจารณ์ปัญญาในเรื่องต่างๆที่เรายัง มีความทุกข์มีความกังวลอยู่ต้องพิจารณาแล้วถ้าเราไม่กังวลไม่ทุกข์กับมันแล้วอะไรจะเกิดขึ้นกับเขาก็ยอมรับได้หมดเพราะมันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นเขาที่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครสวดมนต์ภาวนาก่อนนอนแต่ทําไมยังฝันไม่ดีอยู่ตลอดครับเพรฝันไม่ดีมันไม่ได้เกิดจากการบาไหว้พระสวดมนต์ คือมันฝันไม่ดีนกระจากบาป ท, ที่เราทําไว้ทําบาปไว้เยอะมันก็ฝังอยู่ในใจเราอาการส่วนมนเพียงแต่เล็กน้อยน้อยยังจิตยังไม่รวมสงบเป็นสมาธินี้ไม่สามารถไปหยุดความฝันได้ถ้าฝึกสมาธิไหว้พระสมม่วนมนยังสร้งจิตมนเป็นสมาธิปัญญานาสมาธินิ่งสงบได้เป็นชั่วโมงอย่างเงี้ยโอกาสที่จะฝันก็อาจจะลดน้อยลงได้คุณอัญชลีครับ คนที่ช่วยสนับสนุนให้คนได้ทําความดีจะได้บุญไหมครับพอดีตนเองชอบการใส่บาตรตอนเช้าวางครั้งจะไปหู่วงลูกเพราะไม่มีคนนอนกับลูกด้วยคุณแม่หรือพี่สาวจะมาช่วยนอนเฝ้าแทนตอนที่ไปใส่บาตรแบบนี้คุณแม่หรือพี่สาวได้รับบุญด้วยไหมครับได้แต่มันบุญคนลวิญญางกันไม่ได้บุญที่เกิดจากการใส่บาตรมันเป็นบุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้ให้ได้ทําบุญก็เรีกวบุญที่เกิดจากการอนุโมทนา เก็อยากจะทําบุญถ้าเขาเราไม่มาช่วยเขาเขาไปทําบุญไม่ได้เราก็เลยมาช่วยเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญส่งเสริมให้เขาได้ทําบุญที่เขาตามที่เขาต้องการจะทําแต่เป็นบุญคนละชนิดกันอันนี้สองไม่จะต่างกันบุที่เกิดจากการให้เราให้อะไรไปเราก็จะได้สิ่งนั้นกลับมาเราได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเราเขาก็จะได้รับผู้ ได้รับการช่วยเหลือจากผู้่นต่อไปเป็นคนบุญก็ศลอย่างกันเปิดบทสดมนใน y o u ูทูบฟังแล้วเนี่ยแล้วสวดตามอย่างนี้ได้บุญไหมครับคือบุญนี้มันจะได้อยู่ที่สงบหรือไม่สงบนะถ้ายังไม่สงบ ก, ก็ยังไม่ได้บุญถ้าเริ่มต้นสวดถ้สวดเสร็จก็ยังมีความรู้สึกเหมือนเดิมนี่ก็ยังไม่ได้บุญตอนนั้มได้ก็เจ็ดก็ก็เฉย พอามาสวดเสร็ก็ยังเฉยๆอยู่ไม่รู้สึกมีความสงบไม่รู้สึกมีความสุขกิดขึ้นก็ยังไม่ได้บุญบุญคือความสุขใจที่เกิดจากความสงบของใจก็ต้องดูที่จุดนั้นะว่าได้บุญหรือไม่ได้บุญแล้วส่วนเรามีความสุขใจสบายใจขึ้นไหมถ้ามีความสุขใจสบายใจขึ้น่ะแสดงว่าเราได้บุญได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนคุณบุญยรัตน์ครับอาการวิตกวิจารณ์ ปิติเมื่อนั่งสมาธิคือความรู้สึกอย่างไรครับตอนนี้ต้องไปนั่งเองนะเมันนั่งเองมันจะรู้เหมือนกินทุเรียนเนี่ยมันหวานหรือมันมันมันหอมหรือมันเหม็นเนี่ยมันแต่ละคนมันมันมีความรู้สึกไม่เหมือนกันดังนั้นถ้าอยากจะรู้ว่าทุเรียนมันหอมจริงหรือเหม็นจริงก็ลองไปกินดูจะรู้ปิติสุขเป็นอย่างไรก็นั่งสมาธิไปเอนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปเดี๋ยวก็รู้เองเดี๋ยวก็เห็นเอง สันติโกธรรมะของพระเจ้าเป็นสันติโกผู้ปฏิบัติย่อมพิสูจน์ได้ด้วยตนเองนั่งสมาธิพอนิ่งๆดิ่งเบาๆแล้ววูบหลับตลอดเลยต้องทำอย่างไรดีครับก็มันสาเหตุจากการง่วงนอนหลับก็คืออาจจะกินอาหารมากเกินไปก็รางงดการรับประทานอาหารหน่อยโดยเฉพาะอย่างมานั่งสมาธิตอนที่กินอาหารเสร็จใหม่ๆ เป็นเกณฑ์เย็นเสร็จแล้วก่อนจะเข้านอนก็มานั่งสมาธิรับประกันได้แบบการทา น, นถ้าถ้าถือสินน้นแปดได้ไม่ไม่กินอาหารหลังเที่ยงวันเนี่ยตอนก่อนนอนมานั่งสมาธิรับประกันได้ไม่มง่วงพราเวลาที่กินอาหารมันห่างกันมากห่างกันตั้งแปดชั่วโมงหลังเที่ยงก่อนจะเข้านอนก็แปดโมงเก้าโมงท้อมว่างมันก็จะไม่มง่วงแต่ถ้ามากินอาหารตอน หกโมงนัดทุ่มแล้วสามทุมาเข้านอนนี่มันเนยเต้าเต้ามันยังแน่นอยู่นั่งแป๊บเดียวมันก็มันก็ยังง่วงมันก็จะหลับได้แล้วอีกอย่างคือสติมีน้อยด้วยแม้คนมีสติมากๆเวลากินอาหารเสร็จใหม่ๆมานั่งมันก็หลับได้เหมือนกันเพราะมันเป็นภาวะของร่างกายที่มันจะทำให้การมีสตินั่นมันลดน้อยถอยลง คุณใส่หลายครับขณะทําสมาธิแล้วฟุ้งซ่านควรทําอย่างไรครับไปฝึกสติก่อนยังไม่มีสติมาควบคุมความคิดเลยมันก็ฟุ้งซ่านต้องฝึกสติฝึกทั้งวันเลยตั้แต่เม่ตาขึ้นมาทำพุทโธพุทโธไปง่ายๆทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดกับพุทโธพุทโธไปกกับใจอย่าปล่อยให้มันคิดด้วยเปื่อคิดถึงคนนั่งคิดถึงนั่ง น, นี่อย่างนี้เวลามานั่งสมาธิมันก็จะไม่ฟุ้ง ตอนนี้มีเหตุที่ต้องกําจัดปลาหมอคางดําคนที่กําจัดบาปไหมครับทําให้เขาตายเขาบาปเนะี่ยมันยังเช่าสัตว์ต่อชีวิตถ้าไม่อยากจะบาปก็ย้ายที่อยู่เข้าไปจับเขาแล้วก็ไปไว้ที่หนึ่งให้เขาอยู่ต่อไปแต่ไม่ไปสร้างความเสียหายเดี๋ยวร้ายจากกูคุณเขมจิลาครับเตรียมของใส่บาตรไว้แต่ตื่นใส่บาตรไม่ทันของใส่บาตรเอาไปใส่วันใหม่ได้ไหมครับ ได้ถ้ามันไม่บูดนะถ้ามันยังเชื่อกินได้เนี่ยที่เขาสมัยก่อนเขานิยมทําสดๆตพรเขาไม่มีที่เก็บไม่มีตู้เย็นไม่มีถ้าเก็บข้ามคืินแล้วาอาหารมันจะบูดเราจะไม่นิยมใส่อาหารที่มันเป็นของเก่าแต่ถ้าเป็นของที่แน่นอนว่าไม่บูดไม่เสียใส่ไดไ้ใช้ได้เพราะเป็นสายอาหารบูดทางผ้าท้องเสียแทางที่ได้บาปกันกาทานที่ได้บุนกับได้บาปเพราะไปทําให้คนอื่นเขาเสียหายเดือดร้อน ภายนอกสิ่งภายนอกที่กระชกหูตาทาให้ยึดแล้วเกิดทุกข์ไดง่ายจากการอย่างไรครับก็มันเป็นเรื่องนิสัยของเราเราชอบไปยึดไปติดกับสิ่ ง, ง, ง, ง, ง, ง, งแต่เรามีรักมีชันเราเล่นได้สิ่งที่เรารักล้วก็อยากจะให้มันอยู่กับเราไปเจอสิ่งที่เราไม่รักล้วก็อยากใช้ให้มันหายไปวิธีแก้ก็คือเราต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้ใจเป็นโอเบคาขึ้นมา อาใจแล้วก็ยาวางเฉยได้คุณรัชนีครับมีเพื่อนไปเข้าคอร์สยุวพุทธและชวนโยมไปด้วยสอบถามได้ความว่ามีวิทยากรเป็นผู้สอนให้ดูยุบหน่อพองหน่อและมีการทดสอบอารมณ์และขังเดียวคือปิดวาจาอยู่คนเดียวสำหรับผู้ไปหลายครั้งแล้วแบบนี้ถือว่าเป็นแบบแนวทางขอพระพุทธเจ้าไหมครับผู้จัดไปได้แนวทางมาจากพาม่าครับ ก็เป็นการเจริญอาณาปณสติในรูปแบบของการดูท้องแทนที่จะไปดูจับดูที่ปลายจมูกดูลมที่ปลายจมูกเขาง่าดูที่ท้องเวลาลมเข้าท้องก็ผ่องขึ้นมาเวลาลมออกท้องประยุกต์ลงไปบางคนดูท้องมันง่ายกว่าดูที่ดูลมที่ปลายจมูกเพราะเรามมันของละเอียดบางทีมองไม่เห็นทันพันไม่ได้ก็เลยมาเปลี่ยนวิธีจากการดูลมที่ปลายจมูกให้มาดูที่ท้องแทน เวลาลมเข้าท้องก็พองขึ้นมาเวลาลมออกก็ยุบเข้าไปอันนี้ก็เป็นอนาปนสติเหมือนกันก็ถูกต้องไม่เปไม่มีปัญหาอะไรส่วนการที่ให้ไปปิดวาจายอยู่คนเดียวนี่ก็เป็นการให้เราไปไปควบคุมตาหูจมูกลิ้นกายไม่ให้ไปหารูปเสียงกลิ่นแล้วไม่ให้ไปหาคนนั้นคนนี้ไม่ให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มากินมาดืม่มมาดูมาฟังอะไรเป็นต้นอันนี้เป็นการ สกัดกามาอารมณ์การมฉันทะที่จะมาเป็นอุปสรรคต่อการนั่งสมาธิทำใจให้สงบ พ, พอเราไปอยู่คนเดียวไม่มีอะไรมารบกวนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสมารบกวนใจการนั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายกว่าแต่ต้องมีสติมีกําลังพอที่จะขังโดยเองง่ายถ้ายัยงไม่มีสติพอความอยากที่อยากจะไปรับรูปเสียงกลิ่นรสมันจะทําให้เกิดความเครียดเกิดความทรมานใจขึ้นมา ก็อาจจะปไปอยู่แบบนั้นไม่ได้ก็ต้องดูกําลังของผู้ปฏิบัติว่ามันกําลังพอที่จะไปไปิดไปเขาเรียกว่าไปไปสํารวจบันสีได้ไหมไปปฏิบัติอยู่สำรวจบันสีสำรวจตาของจังหวะร่า ก, กายไม่ให้ไปสําผัสรับรูบ้ ก, กับรูปเสียงกลิ่นรสปวดตาชนิดต่ตางตอนนิยมเข้าสภาวะจิตว่าง ช่วยอธิบายเรื่องจิตว่างแล้วจะต้องพิจารณาอย่างไรต่อไปครับอจิตว่างก็พยายามรักษาให้มันว่างไปเรื่อยๆอยู่ในสมาธิก็ว่างออกมาก็ว่างเขาว่าว่างก็คือไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงนั่นเองเฉยๆเห็นอะไรก็เฉยถ้ายังเห็นแล้วยังรักยังชอบอยู่นี้ไม่ว่างหนระยังรักยังชังอยู่ไม่ว่างหรกลัวหรือไม่ว่างรือหลงคิดว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ ลอคิดว่าเป็นสุขไม่ใช่ทุกข์นี่ก็เรียว่าหลมแล้วอย่างนี้ไม่ว่างถ้าว่างจริงๆหัวใจต้องเฉยสัมผัสรับรู้กับโลกเสียงเกียนแล้วก็เฉยคุณมูลไลท์ครับอดทนกับกดขมต่างกันอย่างไรครับคืออดทนนี่เข้ามาถึงทนดอดสภาพสิ่งแวดล้อมภายนอกตัวเราเช่นอาการน้อนอากาศแนาว ความหิวอาหารอต่างๆนี้แล้วให้อดทนเอสิ่งเหล่า น, นี้ส่วนอดขมก็คือให้ข่มใจเราเวลาเกิดอารมณ์ขึ้นมาเกิดความโกรธขึ้นมาเกิดความโลภขึ้นมาน่าจะพักนั้นให้เราไปทําผิดทําผิดศีลเราก็ต้องข่มมันไว้แล้วอดทนอดกลั้นอดทนแล้วก็อดกลั้นอดกลั้นก็คือความข่มใจของกิเลสของความโลภความโกรธความหลง อยาให้มันผักตอนนี้เราไปทําในสิ่งที่เสียหายไปทําผิดศีลผิดธรรมคุณแม่จ้างลูกให้ไปบริจาคเลือดใครได้บุญครับคุณแม่จ้างแม่ต้องจ่ายเงินแม่ก็ได้บุญได้บุญตรงเทให้เงินเข้าไปส่วนเราไม่ได้เพราะาเราไม่ได้บุญตรงที่เลือด ด้ยเป็นของแม่แม่เขาซื้อได้จากเราไปแล้วเอาไปเอาไปกระจายที่หนึ่งเราก็จะได้บุญเราก็ไม่ได้บุญแต่เราจะได้รับเงินได้รับเงินเป็นสิ่งตอบแทนก็เป็นหนือนงานซื้อขายเหมือนเราไปซื้อของที่เซเว่นไปซื้อนมมาเซเขาไม่ได้บุญเราก็ไม่ได้บุญเราเอาเงินไปให้เราไปได้กับเซเอาเงินไปเขาก็ให้นมเรามาอันนี้เป็นการซื้อขาย แต่ถ้า เ, าเอานมที่เราซื้อมาไปแจกเด็กนี่เราจะได้บุญต่ออีกทีนึงคุณนัทนัทวีครับคนที่มีสติสัมปชัญญะไม่สมประกอบไม่สามารถปฏิบัติธรรมให้บรรลุมรรคผลได้แล้วถ้าสิ้นอายุไขแล้วจะไปเกิดเป็นอะไรครับก็ไปตามบุญตามบาปที่ก็ได้ทำไว้จนกว่า จนกว่าบุญก บ, บาปไม่สามารถที่จะดึงเข้าไปสวรรค์หรือไปอาบายได้เขามาเกิดเป็นมนุษย์แต่แล้วอาจจะเกิดเป็นมนุษย์ที่ไม่สมประกอบสติสัมปชัญญะยังไม่สมประกอบก็ได้ต้องรอให้สติสัมปชัญญฟื้นคืนกลับขึ้นมาก่อนซึ่งอาจก็จะไม่รู้ว่าจะนานสักเท่าไหร่ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วยังจะจําครอบครัวได้หรือไม่ครับก็แล้วแต่ว่าเขารนุรักชาติได้หรือไม่ ถ้าก็ามีความสามารถบรลุเช้าได้เขาจะนึกถึงคนนั้นคนนี้ได้ในอดีตที่ผ่านมาแต่ถ้าเขาละลึกไม่ได้แม้แต่เมื่อวานนี้กินอะไรบางทียังจําไม่ได้เมื่อวานนี้เจอใครบ้างก็ยังจําไม่ได้ <c oughs> คุณเข็มจิลาถามว่าหมั่นทําจิตใจให้บริการคืออย่างไรครับทาบริการก็คือการรับใช้ผู้นั้นเลยการรับใช้ก็เป็นจิตอาสาอย่างเนี้ เป็นการให้ทำบุญอย่างหนึ่งเป็นการทำใจให้มีความสุขเวลาเราบริการผู้รับใช้ผู้ใที่ไม่คิดค่าบริการเช่นเราบุกเราดูความรู้เราเอาความรู้นี้ไปสอนเด็กอย่างนี้เติมเด็กเติมคณิตศาสตคณิตวิทยาศาสตร์โดยที่ไม่เก็บค่าค่าเติมอย่างนีน้เราก็ได้บุญเป็นการบริการให้ฟรีเราบริการก็แปลว่าการให้ฟรีนั่นเอง อยากนิพพานนอกจากถือศีลทำสมาธิการทำบุญจำเป็นหรือควรไหมครับมันต้องปฏิบัติทั้งสามขั้นอะทานศีลภาวนาถึงจะไปนิพพานได้ถ้าทับทานอย่างเดียวก็ไปแค่สวรรค์ชั้นเทพถ้ารักษาศีลได้ก็ปิดประตูบายถ้าฝึกสมาธิก็ได้ไปสวรรค์ชั้นพงศ์ถ้าฝึกปัญญานัเนี่ะถึงจะไปขั้นนิพพานได้ คุณขวัญดีครับบริจาคสิ่งของกับสถานสงเคราะห์ถือเป็นบุญจากการให้ไหมครับเป็นบุญเป็นบุญเหมือนกันจะให้กับวัดก็ได้ให้กับสถานสงเคราะห์ให้กับโรงพยาบาลให้กับใครก็ได้เป็นบุญเท่านั้นการฝึกนั่งสมาธิเราต้องไปฝึกกับสถานที่ปฏิบัติธรรมก่อนหรือไม่ครับถึงจะได้ชานเร็วครับ ก็ท่าที่สงบมันก็จะง่ายง่ายกว่าที่ไม่สงบอันนี้บอกว่ากายวิเว่แล้วจิตก็จะวิเวกถ้าถ้าสถานที่ที่กายไปอยู่สงบสงัดวิเว่การจะทําใจให้สงบสงัดวิเว่ก็จะง่ายแต่ถ้าไปฝึกที่ในสถานที่ที่ไม่สงบสงัดวิเว่มีเสียงก็ทึ่งเครืงโคมจนไปฝึกในสนามกีฬาหรือไปอยู่ที่ไหนที่เขามีคอนเสิร์ตอย่างนี้ เราไมา่ควรนั่งสมาธิดียวมันนั่งไม่ได้มันสงบไม่ได้เงินสถานที่ก็ไม่ส่วนที่จะเอื้อต่อการทำใจให้สงบหรือไม่สงบ ค, คุณสมปองครับชอบทํางานสวนอย่างนี้ถือว่าเป็นความอยากไหมครับมันก็เป็นงานถ้คาครัความชอบของเราทำให้เกิดความอยากขึ้นมาถ้าเราไม่ชอบเราคงไม่อยากทำใช่ไหม ซื้อปลากินที่ยังไม่ตายที่ตลาดเราจะบาปด้วยไหมครับถ้าเรามาฆ่าก็บาปถ้าเราเอามาปล่อยก็ไม่บาปซื้อปลามาแล้วไปปล่อยในแม่น้ําลําคลองก็ไม่บาปได้บุญองนี้ได้บุญแต่ถ้ามาฆ่ามากินก็บาปคุณเมมโมครับช่วงสามวันนี้นั่งสมาธิไประยะหนึ่งแล้วมีอาการเจ็บคอพยายามเร่งบริกรรมพุทโธแต่ก็ไม่สามารถสู้กับอาการดังกล่าวได้ ขอความไม่ตาพระอาจารย์แนะนําวิธีแก้ครับก็เปลี่ยนคาบรรยกรรมมารดูเราหมายใจแทนนะหรือถ้าบริกรรมก็เอาบริกรรมโดยที่ไม่น่าออกเสียงให้เราได้ยืมภายในใจทําอย่างไรให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองครับก็ปฏิบัติตามคําสอนของพุทธเจ้านะฮต้องเข้าใจก่อนนะว่าคํามรุ่งเรืองนี้มีสองรูปแบบความรุ่งเรืองทางโลกกระทำกับความรุ่งเรืองของจิตใจนในกอย่าง การรุ่งเรืองของโลกกระทำก็ต้องทําไปตามที่ทางโลกเขาทากันก็คือต้องไปเรียนหนังสือไปหาความรู้แล้วก็นำมาขยันทํามาห า, หากินหาเงินหาทองหาอะไรบบตา่างๆก็จะเจริญรุ่งเรืองได้อย่าไปทําผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นเรื่องของทางโลกแตทางธรรมนี้เรามาถึงความเจริญของจิตใจอย่ากจะให้เจริญจิตใจเจริญรุ่งเรืองจากมนุษย์ไทยไปเป็นเทพเป็น เป็นพระงเป็นพระอริยะบุคคลเป็นพระพุทธเจ้าเปนะ็นอะเขาต้องทําทางรักษาศีลภาวนาคนเราไม่เหมือนกันมันเป็นเหมือนคนเราทานกันทาง น, กกนทาง่วงกว่าทานทำคุณวลดีพรครับเริ่มฝึกสติฟังธรรมะในขณะที่ทําก็ทํางานไปด้วยแต่ในการทํางานก็มีปัญหาไม่ราบรื่นมีความวุ่นวายรู้สึกอยากหลีกหนีแต่หลีกหนีไม่ได้ระวังใจหรือฝึกตัวเองอย่างไรดีครับ ก็คิดว่าเป็นกรรมของเราเหมือนนที่เลยต้องมาชใช้กรรมมืม่อคิดว่าเหตุการณ์ที่เราล้ากวาอาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าเราไม่ทำงานเช่ถ้าเราไม่ทำงานเราตก ง, งานเราก็จะไม่มีรายได้ไม่มีรายได้เราก็จะไม่มีไไมมไไเมมงินที่ไปซื้อของจำเป็นมาเราคิดถึงประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการทำงานถึ่ว่าจะอยู่ในที่ที่เราไม่ชอบก็ตามแต่ถ้าเราไม่มีทางเลือกเราก็ต้องอดทนทันไป เวลาเราสวดมนต์เราชอบขนลุกคืออะไรครับก็เป็นปิติเวลาการละการขนลุกขึ้นมาการการน้ำเส้นน้ำตาไหลนี่ถ้าเรียกว่าเป็นปิติสัการของปิติคุณปู่เป้ครับที่มีการพูดว่าในนรกจะมีพยายมเอาเหล็กแหลมคอยมาทิ้มแทงต่างๆนาน า, นาจริงไหมครับและมีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกหรือไม่ครับคือเราต้องเข้าใจกันว่านารกคืออะไรนะ แลก็คือใจของเราที่นุ่มร้อนไม่หนึบเราวที่ไม่ดีต่างๆที่เวลาเรามาหลับแล้วเราฝันรายเนี่ยแน่อนเราลบขึ้นมาซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับจิตของเราจะปรุงแต่งว่าฝันฝันอะไรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราไปทําร้ายใครมาก่อนถ้าเราไปทําร้ายเขาอย่างไรแล้วก็บางจะฝันเราจะถูกเขอกลับมาทาร้ายเราแบบนั้นอย่าเราเอาไปทรมานสัตว์เนี่ยครับมันก็อาจจะกลับมาทรมานเรา เราอาจจะกลับไปเป็นสัตว์ให้เขามาทรมานเราต่อไปอันนี้มันจะเป็นภาพมนุษภาพที่เกิดขึ้นในใจของเรามันไม่ได้เป็นสถานที่ที่มีบุคคลนั้นบุคคลนี้มาคอยควบคุมควบคุมเราพาเราไปลงโทษอย่างนั้นไม่มีไม่มีมันไม่เหมือนโลกในตลาดในโลกของมนุษย์นั้นที่มีมีสถานที่ที่เราจะต้องไปติดคุกติดตลางแต่นโลกนี้มันเป็ น, นเหมือนงสภาพของจิตใจของเรา เวลาจิตใจของเราตายแล้วนอนหลับนี่มันจะฝันร้ายฝันร้ายนี่ก็คือนรกนี่อาจารย์ครับแต่ตอนนั้นนี่คือเราจริงจังกับสภาวะนั้นไปเลยใช่ไหมครับใช่เราไม่รู้ไงเราเคิ่าเป็นเรื่องจริงให้เราตอนที่เรานอนหลับเราฝั น, นเราคิดว่าเราอยู่ในเหตุการณ์ น, นั้นพอตื่นขึ้นมาถึงยังไม่ว่าเมื่อกี้เราฝันไป ถ้าเราหมดลมหายใจกับอนาปานสติเราจะไปพบภูมิใดครับก็อยู่ที่ว่าจิตเราสงบไหมถ้าจิตเราสงบก็อาจจะไปถึงพรหมโลกไปก็ได้แล้ว่าถ้าจิตไม่สงบเพราะว่ามันมีเรื่องวิบากกรรมบาปที่เราทำไว้มันอาจจะมามาก็ปรากฏขึ้นในตอนนั้นเหมือนก็ต้องไปตามวิบากกรรมที่เราทำไว้มันไม่ได้อยู่ที่จิตจิตสุดท้ายนีเป็นอย่างเดียว มันอยู่ที่ผลรนมของบุญบาปที่ทำไว้ว่าส่วนไหนมีกำลังมากกว่ากันคุณเปิ้ลครับปกติถือศีลห้านั่งสมาธิทุกวันมีความปรารถนาถือศีล8แต่เรื่องกินหลังเที่ยงทำไม่ได้ครับอะกิเลสการกินมีมากไม่ทราบว่าต้องใช้ขันติและปัญญาในการสอนจิตอย่างไรถึงจะละเรื่องวิกาละโภชนาได้ครับต้องใช้ปัญญาทุกครั้งที่อยากจะกินอาหารให้นึกถึงอาหารที่อยู่ในปาก แล่อยู่ในท้องแล้วอยู่ในลำไส้แลอยู่ในเวลาที่มันถ่ายออกมาถ้านึกถึงภาพของอาหารแบบนี้แล้วความอยากกินอาหารมันก็จะหดไปทำสังฆทานโดยใส่เงินทำบุญแล้วใช้ของเวียนที่วัดเหมาะสมและได้บุญไหมครับถ้าวัดเอาเงินนั้นไปใช้จํานื้จำร้านนี้สมไปใช้ค่าจ่ายที่จำเป็นต่อการบารุงรักษาวัดก็ ก็เป็นบุญนะแต่ถ้ า, าไปใช้เป็นส่วนตัวเพื่ อ, อไปเสพการเสพรูปเสียง ก, กินดื่มไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ซื้อของฟุ่มเฟือยอันนี้ก็บาปเฉพาะคนใช้เงินแต่คนทำบุญก็ยังได้บุญอยู่แต่เพียงแต่ไปสนับสนุนให้คนทำบาปถ้า ร, ารู้ว่าเขาทำอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะทำคุณมนฑนาครับสิริมงคลคืออะไรครับทางพุทธศาสนามีความสาคัญอย่างไรครับ คือความเจริญความสุขความเจริญของจิตใจนี่เรียกว่ามงกลมเอาเป็นมงกลมนีก็คือจิตใจเราสูงขึ้นมีความสุขมากขึ้นทำํำในวงกลมสามสิบแปดข้อที่พระเจ้าสอนให้ทํทาเนี่ยทําแต่ละข้อนีก็จะยกระดับความสุขของใจให้มีมากขึ้นยกระดับของใจให้สูงขึ้นไปจากมนุษย์ไปเป็นเทเจากเทเไปเป็นพรหมจากพรหมไปเป็นพระเรี่ยบคลตามลําดับต่อไป บุญใดจะส่งถึงคนที่จากไปได้โดยแท้จริงครับก็บุญที่เกิดจากการทำบุญทาบุญใส่บาตรทำถวายสังฆท า, านเงินบริจาคเงินจากเสบยให้กับว่ า, าให้กับโรงเรียนให้กับโรงพยาบาลก็ได้แล้วพอเกิด บ, บุญเกี่ยวกับความสุขใจอินใจนี้แล้วก็ส า, สามารถอุทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้ที่ลงรับไปแล้วได้ คุณสุภัตราครับตอนนี้อายุสาสิบกว่าต้นๆเราเริ่มคิดถึงการเตรียมตัวตายอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าจําเป็นต้องประกอบด้วยอะไรบ้างครับเมื่อตอนนั้นนึกถึงความตายบ่อยๆพระอาจาบอกให้เราเลิกถึงว่าเมื่อเราเกิดมาแล้วต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพัาดพลาดจากกันเป็นธ <c oughs> รรมดาล่วงพ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปไม่ได้ ให้คิดบ่อยๆให้พิจารณาอยู่เดิมๆจนกว่าใจจะ ย, ยอมรับถ้ายอมรับแล้วต่อไปเวลาเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาก็จะไม่ทุกข์ก็ไปเดียวโอเคถ้าโยมตายขณะจิตว่างจากทุกสิ่งจะไปพบภูมิใดครับมันไม่รู้เนะเพราะว่ามันคำว่าว่างนี่มันมันมันว่างจริงหรือเปล่า เพราะว่ามันมีบุญมีบาปที่เราทําไว้เนี่ยมันอันไหนมันมากกว่ากันมากกว่าต้องดูที่ตรงนั้นก็ไป <c oughs> นะมันอยู่ที่บุญหรือบาปที่เราได้ทําไว้ว่ายอดอันไหนสูงกว่ากันถ้ายอดบาปมากกว่าบุญก็ต้องไปอาบายถ้ายอดบุญมากกว่าบาป ก, ก็ต้องไปสู่สุขคติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆแต่ชั้นไหนก็ขึ้นอยู่กับบุญที่เราสร้างไว้ คุณอูต๊ตครับการฝึกโยคะเวลาลมหายใจเข้าท้องจะพองขึ้นหายใจออกท้องจะแฟบลงโดยกำหนดลมหายใจที่ท้องจะเอามาใช้กับวิธีนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ตอนสอนได้ไหมครับได้ก็เหมือนกับการดูลมาหายใจที่ปลายจมูกเพียง okay, แต่ว่าเปลี่ยนไปดูที่หน้าท้องเท่านั้แต่ต้องอยู่ที่จุดนั้นนะดูอย่างเดียวอย่าเคลื่อนไปที่ดูไปจนกว่าจิตจะสงบนิ่งเป็นสมาธิขึ้นมา ไปทําบุญกล่าวแผ่เมตตากล่าวกรวดน้ําแล้วที่วัดแต่ไม่ได้ใช้น้ํำมากรวดจะถึงผู้รับไหมครับถึงเพราะไม่จำเป็นต้องใช้น้ําน้ําเป็นเพียงแต่เป็นเหมือ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภาพที่เราเอามาใช้ทดแทนแสดงว่าบุญเป็นอย่างไรเป็นตัวแทนบุญแต่ตัวบุญจริงๆคือความสุขใจมันอยู่ในใจเราพอเราอุดทิพยในใจแล้วว่าขอแบ่งความสุขนี้ให้กับผู้หนึ่เราก็สําเร็จแล้ว ไม่ต้องใช้น้ำแต่อย่างไรคุณครีปมีครับเพิ่งเริ่มนั่งสมาธิได้ประมาณสามเดือนยังไม่มีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอนทิทางที่ถูกต้องฟังคำศัพท์ทางธรรมะที่พระอาจารย์หรือที่ทุกคนสนทนากันไม่ค่อยเข้าใจเข้าใจตอนนี้แค่ว่าสิ่งที่ต้องทำพื้นฐานเลยคือฝึกสติจนเกิดสมาธิและวพิณาให้เกิดปัญญาใช่ไหมครับ แล้วแต่ละท่านศึกษาความหมายคําศัพท์ทางธรรมและธรรมขั้นต่างๆมาจากไหนครับอ่ามันจากการที่เรียนรู้ไปเรื่อยๆไงเบื้องต้นนี่ขอให้รู้จะวิธีทําสติกับสมาธิก่อนเหยก็อพอรู้มากบางทีมันก็กลายมาเป็นอุปสรรคพอเราจะมาคิดถึงเรื่องธรรมะต่างๆที่เราได้เรียนรู้แล้วก็ปลูกแต่งคิดไปเรื่อยๆพอมานั่งสมาธิจิตก็จะฟุ้งซ่านกันมาไม่สงบยิ่งรู้ให้น้อยจะดีกว่า ให้รู้แต่เฉพาะที่จะป็นจะต้องรู้เช่นวิธีฝึกสติฝึกอย่างไรให้รู้แค่นี้ก็พอวิธีนั่งสมาธินั่งอย่างไรทําทำสองอย่างนี้ให้ได้ผลก่อนให้ชํานาญก่อนเมื่อเราชํานาญแล้วค่อยมาฝึกวิธีเจริญปัญญาว่าปัญญาต้องเจริญอย่างไรค่อยทำวิธีละขั้ น, นตีอัตตาในนิ้งสือเริ่มต้นที่ช้านุบาลแล้วก็อ่านอ่านข้อไก่ก้อไขก่อนอ อ่านอ่านอ า, นอานตัวเลขก่อนนับหนึ่งสองสามไป้ก่อนล้วพอเราได้ขั้นนี้นะเร า, เ า, าก็ขยับไปขั้นที่สองไปบวกลบคูณหารไปเขียนผสมตัวอักษรหนังสือใหอ่านเป็นอะไรต่างๆขึ้นมาต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยรู้ไป ม, มากมันก็จะทำให้ฟุฟ้งซ่านมันจะสับสนได้เพราะบางทีธรรมะแต่ละขั้นจะขัดกันก็ได้ คุณแม่ท่านสมองเสื่อมจิตสุดท้ายก่อนสิ่นใจจะเป็นอย่างไรครับไม่รู้หรอกก็ต้องไปดูจิตของใครของมันเน่ยค่ะนอกจากท่านมีมีอภิญญาสามารถดูจิตของคนอื่นได้ก็จะรู้ว่าจิตสุดท้ายก็เป็นอย่างไรเขาไปสวรรค์หรือไปอาบายก็จะรู้ได้คุณเปิ้ลครับ เมื่อเห็นว่ากายไม่ใช่เราเวทนาก็เกิดดับไม่ใช่เราต่อไปคือเรื่องของจิตต้องฝึกตามดูไตรลักษณ์ของจิตและปัญญาสอนจิตอย่างไรครับก็อารมณ์ต่างๆขอจิตเราจิตเราก็เปลี่ยนไปบางวันบงวันก็อารมณ์ดีบางวันก็อารมณ์เสียบางวันก็สดชื่นแบบบานบางทีก็เศร้าหมองซึมเศร้าก็เป็นไตรลักษณ์เหมือนกันมีเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลง เป็นอนัาตาเราควบคุมบั ง, บงคับไม่ได้ถ้าอยากจะให้มันสงบอยากจะให้มันสดชื่นเบิกบานไปเพียงอย่างเดียวพรอมไม่เป็นก็จะทำให้เราทุกข์ได้ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยอมรับวาวันนี้มันมีเหตุการณ์มาทำให้มันเศร้ า, าก็ต้องอยอมรับไปวันนี้มีเหตุการณ์มาทำให้มันผ่องใสกันรับรู้ไปอย่าไปยึดติดกับอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาถ้าไปยึดติดแล้วเวลามันจากไปก็จะทำให้เศร้าได้ ระหว่างที่นอนหลับเหมือนจิตเราวิ่งไปอย่างเร็วในขณะที่จิตวิ่งไปเรารับรู้จนระหยุดที่แห่งหนึ่งเขจตกแค่นี้ครับอาจารย์ครับก็เป็นความฝันความปรแต่งของจิตนั่นแหละคุณปียพงศ์ครับการนั่งสมาธิจำเป็นต้องนั่งขัดสมาธิไม่ขับหรือนั่งขัดตามามได้ครับ ก็ถ้านั่งที่เหมาะสมที่สุดที่นิยมทับกันครูบาอาจารย์นำพานั่นก็คือนั่งขัดสมาลขวาทับซ้ายแต่ถ้านั่งไม่ได้อยากจะนั่งในท่าอืา่นก็ไม่ไม่ขัดเข้าแต่อย่างใดน้าแต่ความพอใจแต่ถ้านั่งที่ดีที่สุดก็คือนั่งขัดสมาลเข้าถึงเรื่องขัดสมาธิปกติสวดมนต์ทุกวันมีเมื่อวานสวดไปรู้สึกหอบอึอดอัดและร้อนมากไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นครับ อันนี so on, am, you, am, so so so ้เ so ป็นเรื่องของร่างกายอันนี้ก็ต้องไปวิเคราะห์ดูว่าวันนี้ไปทําอะไรมาไปกินอะไรมาหรือเปล่าหรือไปทําอะไรมามันถ้าไม่รู้ก็ต้องไปหาหมอถ้าเป็นเรื่องของร่างกายก็ต้องไปถามหมอดูอาจารย์เมื่อกี้สักครู่ที่บอกว่าจิตวิ่งเร็วมากครับแล้วไปหยุดที่สถานที่ขาวๆเหมือนในนิยายแล้วทุกอย่างก็จบลงแล้วสะดุ้งตื่นขึ้นครับเป็นความฝันเนี่ยเป็นความฝันเนี่ย คุณเนกโก้ครับหนูนั่งสมาธิเหมือนจิตจะรวมได้ยินเสียงหัวใจแต่ก็ไปไม่ถึงความสงบหนูต้องทําหรือระลึกแบบไหนครับเราระลึกแบบเดิมนะอย่าทิ้งอย่าไปสนใจกับอาการที่ปรากฏขึ้นมาในขณะที่เรานั่งสมาธิถ้าเราลงก็อยู่กับลงไปเรื่อยๆถ้าพุโทโธก็อยู่กับพุโทโธไปเรื่อยๆอย่าหยุดคุณเพียงพิษครับ การที่เราช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ลำบากด้วยการให้เงินและช่วยซื้อของใช้ในชีวิตประจาวันเพื่อช่วยลดภาระด้านการเงินแบบนี้ได้บุญไหมครับได้ก็เป็นการทำบุญอย่างหนึงสร้างบุญสร้างกุศลด้วยวิธีการต่างๆตอนนั่งสภาวนามีสภาวะสว่างจ้าในสมาธิเราควรโน้มที่แสงนั้นไหมหรือว่าวางลงกับรู้ครับ อย่าไปสนใจให้อยู่กับอารมณ์ที่เราใช้ในการควบคุมใจต้องอยู่กับลมถ้าใช้ลมถ้าอยู่กับพุโทโธถ้าใช้พุโทโธอย่านั่งเฉยๆนั่เฉยๆ เ, เ, เดี๋ยวจิตมันพุงแต่งมาหลอกเราได้แล้วมันไม่พาเราไปสู่ความสงบตัวคุณทำงานครับ ขอโอกาสสอบถามสิทธิในการต่อสู้ป้องกันชีวิตตนเองกรณีมีคนจะทําร้ายเราหรือจะช่วยเหลือบุคคลให้พ้นอันตรายจะวางใจอย่างไรกรณีเรารู้ตัวว่าการทําโดยเหตุจําเป็นป้องกันอันตรายครับถ้าเราไม่ต้องการที่จะไปรับวิบากกรรมก็ต้องป้องกันแบบที่ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายหเดือดร้อน แล้วจะช่วยเหลือใครก็เช่นเดียวกันก็จะช่วยเหลือเขาโดยที่ไม่ไปทําให้ผู้อื่นเขาเสียหายเดือดร้อนถ้าเราไปทําให้ผู้อื่นเสียหายเดือดร้อนเช่นทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนี่เราก็ยังต้องรับรับผลกรรมของเราที่ไปทําอย่างนั้นอยู่โยบยังไม่เข้าใจเรื่องนามรูปครับอยากเรียนถามว่าต้องปฏิบัติถึงเรื่องนี้อย่างไรครับนามรูปนี่มันเป็นคำที่เราย่อ ม, มาจากขันห้าขันห้านาี่มีสองส่วน ส่วนที่เป็นนามกับส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นนามก็คือนามขันเช่นเวทนาสัญญาสังขารจุญญาเนี่เราเรียกว่านามขันเราเรียกสั้นๆก็เรียกว่านามส่วนรูปนี่ก็เป็นส่วนของร่างกายรูปประขันนั้นก็คือขันห้าเวลาเราพูดรูปบรูปนามนี่ก็หมายถึงขันห้ารูปก็คือร่างกายนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารจุญญาณ ค, ครับคุณแคทครับ ถ้าเราปฏิบัติธรรมที่บ้านซึ่งมีห้องส่วนตัวและรู้สึกสงบดีอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติที่วัดก็ได้ใช่ไหมครับก็แล้วนะแต่ว่าเราต้องการความสงบขนาดไหนเพราะว่าความสงบมันมีหลายระดับนี้กันแต่ถ้าเราพอใจกับระดับที่เราได้ก็ก็อยู่ก็ปฏิบัติที่นั่นก็นได้แต่ถ้าเราคิดว่าถ้าเราอยากให้มันสงบมากกว่านี้เลือ ก, กว่านี้เราอาจจะต้องไปหาที่อื่นก็ได้ เราจะทำบุญร้อยวันให้ผู้ร่วงลับไปแล้วทำเกินร้อยวันได้ไหมครับได้ทำวันไหนก็ได้ทำก่อนร้อยวันก็ได้การทำาุญ น, นี้ไม่ได้ขึ้นกับเวลาวยม่ต้องทำวันไหนทำได้ทุกเวลาที่เราพร้อมที่เราสะดวกคุณเจษฎาครับจะใช้กรรมฐานข้อไหนเพื่อปฏิบัติให้ลืมเรื่องราวในอดีตที่มันจาฝังใจครับก็ใช้คำเมตกรรมนี่แหละเวลาคิดถึงนดีตก็พุโทโธพุโทโธไปคอยหยุดมัน เราไปมันก็จะไม่คิดเพราะมันคิดถึงอดีตกับมุตโตมุตโตมุตโตไปเราไปจิตก็จะอยู่ในปัจจุบันไม่ลอยไปในอนดีตไม่ลอยไปในอนาคตเผลอเอาเงินที่เพื่อนฝากนําไปทําบุญมาใช้รู้ตัวก็รีบนาเงินจํานวนนั้นไปทําบุญอย่างนี้บาปไหมครับบาปไหยว่าเป็นงานของเขา ต, ต้องไปคืนก็ได้ถึงยังไม่บาป เราไปขอไปขออนุญาตเขาก่อนว่าเอาเงินของคุณไปทําบุญจะโอเคไหมถ้าก็โอเคก็แต่ก็เราก็จะไม่ได้บุญเพราะมันไม่ใช่เป็นเงินของเรามันเป็นเงินของเขาเขาก็จะได้บุญแทนแต่ถ้าเราไม่ได้ไปบอกเขาไปขออนุญาตเขาถ้าเราไปทําบุญนี้เราก็บาปยังได้ทั้งบุญได้ทําบาปพูดอย่างบาปก็คือไปเอาักทรัพย์ของผู้บื่บุญก็คือเอาทรัพย์ที่เราได้มาไปทําบุญมันก็เลยได้ทั้งสองอย่าง คุณทิพย์ครับที่บ้านไม่ใช่เซฟโซนคิดยังไงดีครับไม่ทราบหมายความว่าไงเซฟโซนนะครับอาจจะรู้สึกไม่ค่อยคอมฟอร์ตเวลาอยู่ที่บ้านอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องใช้คันติความอดทนนะถ้าเราอยู่มีไอทีไม่ได้อยู่ไม่ก็ต้องทนไปเท่านั้นเองที่ว่าเป็นวิบากกรรมของเราที่จะต้องมาอยู่ในที่อย่างนี้ใช้คันติใช้บุเบขาไป ใช้สติไปแล้วก็จะอยู่กับมันได้ไม่ได้ไปใส่บาตแต่สวดมนต์แผ่เมตตาทุกวันอย่างนี้ได้บุญไหมครับก็อย่างที่บอกว่ามันสงบหรือไม่สงบมันมีความสุขหรือไม่มีความสุขถ้ามีความสุขก็ได้บุญถ้าไม่มีความสุขก็ไม่ได้บุญถ้าก่อนแผ่แล้วหลังจากแผ่ก็มีความรู้สึกเท่ากันไม่ได้สุขมากขึ้นไม่ได้สุขน้อยลงมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้บุญบุญคือความสุข ดรธินกรครับผมฝึกหัดปฏิบัติจนแยกกายกับจิตจนเห็นกายเป็นสิ่งภายนอกเข้าสู่จิตที่เป็นภายในเข้าสู่สภาวะปลอโปรง่งเบาสบายจะต้องปฏิบัติต่ออย่างไรให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปครับก็ต้องเห็นอยู่ตลอดเวลาเวลาล่างกายเกิดอะไรขึ้นจิตก็ไม่เดือดร้อนกับความเป็นไปของร่างกายที่ร่างกายไปเจ็บไข้ได้ป่วยจิตก็เฉยเฉยเวลาร่างกายจะตายจิตก็เฉยเฉยต้องปฏิบัติจนทั้งจิต รู้ว่าจิตไม่ได้เป็นร่างกายเมื่อจิตไม่เป็นร่างกายจิตก็ไม่ปไมเปเดือดร้อนกับความเป็นความตายของร่างกายถ้ายังเดือดร้อนอยู่า็ชนะว่ายังหลงอยู่การนั่งสมาธิก่อนนอนท่องแค่พุทโธถูกไหมครับก็แล้วแต่เราถ้าเราใช้พุทโธก็ได้หรือเราจะดูลมหายใจก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วแต่เรา มันก็เป็นวิธีนั่งสมาธิได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันคุณสิริวิทย์ครับคิดว่าถ้ามารดาเสียชีวิตแล้วผมก็จะบวชตลอดชีวิตตอนนั้นก็คงอายุราวหกสิบปีถ้าบวชอายุตอนนั้นตั้งใจประพฤติปฏิบัติภาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิตลอดยกเว้นตอนนอนและตอนทำข้อวัดแบบนี้จะพอมีโอกาสบรรลุ ธ, ธรรมไหมครับมันก็อยู่ที่ว่าเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือเปล่า ถ้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโอกาสที่จะมันุู้ธรรมก็มีอยู่เสมอคือเห็นว่าเป็นสุปัฏิปันโนเลยไม่ธรรมะที่ช่วยในเรื่องการทํางานถ้ายังติดอยู่ในโลกธรรมครับก็ต้องคิดว่าเป็นการเลี้นงชีพของเราเรายัางต้องอาศัยงานการอยู่เพราะถ้าเราไม่ทํางานเราก็จะอดตายได้เราก็ต้องอดทนไป ยากงายก็ต้องทำไปทำเพื่ออยู่รอดคุณแอมมี่ครับทำทานต่อเนื่องรักษาสี่ห้าเป็นปกติและปฏิบัติภาวนาตามโอกาสแต่ไม่ได้ตั้งเป้าหมายที่จะบรรลุธรรมในขั้นต่างๆโยมจะมีโอกาสเข้าสู่นิพพานไหมครับถ้าปฏิบัติได้ได้เหตุได้ผลมันก็ไปได้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าจะ ต้องการหรือไม่ต้องการมันอยู่ที่ว่าเหตุมันพร้อมหรือเปล่าถ้าเหตุพร้อมผลงั้มันก็จะปรากฏขึ้นมาถ้าเหตุยังไม่พร้อมมันก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแต่แม้จะมีความปรารถนาอยากจะไปนิพพานแต่ถ้าเหตุมันไม่พร้อมก็ไปไม่ถึงนิพพานอย่างนี้มั่นอยู่ที่เหตุเหตุก็คือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบซึ่งปฏิปันโนในทั้งสามระดับคือทานศีลและภาวนาถ้าได้เต็มว้อยมันก็มันก็ถือว่า เหตุพร้อมผลไม่จะตามมาทันทีทาภาวนาเวลานั่งสมาธิจําเป็นจะต้องพร้อมกับการหายใจเข้าออกหรือไม่จําเป็นต้องมีความสัมพันธ์กันไหมครับไม่จาเป็นนรอกเราสามารถเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นจะใช้กรรมริกรรมพุโทโธเพียงอย่างเดียวก็ได้หรือจะใช้การดูลองหายใจเพียงอย่างเดียวก็ได้จะดีกว่าการที่จะดูเอาทั้งสองอย่างมาปนกัน เพระโอกาสที่จิตจะนิ่งสงบโ ด, ดยที่ใช้สองอย่างนี้มันยากกว่าการที่เราจะใช้อย่างใดอย่างหนึง่งคุณถากพิดาครับดิฉันเลี้ยงแมวแล้วแม่คลอดลูกหกตัวเราสามารถที่จะเลี้ยงไว้เองไหวได้แค่สามตัวอีกสามตัวไปขายให้คนอื่นเลี้ยงต่อการขายสัตว์ให้คนอื่นเลี้ยงต่อบาปไหมครับหรือควรให้คนที่อยากรับไปเลี้ยงฟรีๆครับเพาะมัไม่ไมบาปแล้วเพราะมันเป็นสมบัติของเราเสัตว์เลี้ยงที่อรเลี้ยงอยู่มันก็เป็นสมบัติของเรา ว่าเราต้องขายก็เราก็ไม่บาปแต่อย่างใดแต่ถ้าเราขายเพื่อให้เขาไปฆ่านี้ก็อาจจะมีมีส่วนที่จะได้บาปเพราะถ้าเราถ้าเรารู้ว่าเราขายไปแล้วเขาอยาไปฆ่านี้แล้วเราแล้วเรายอมยอมขายแสดงว่าเรา ม, ามีส่วนร่วมในการที่จะให้เขาตายอย่างนี้ก็บาปแต่ถ้าคนเขาไปเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงดูอย่างดีนี่เขาไ ม, ม่บาปแต่ ระหว่างสวดมนต์จะหาวตลอดเวลาอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับเพราะง่วงนอนสิคุณสีลุงครับทำงานบัญชีในฟาร์มไก่มีการส่งไก่ฆ่าเราบาปไหมครับถ้าเราจะมองมันก็จะว่าเรามีส่วนในการฆ่าก็ได้เพราะเราได้รับผลประโยชน์จากการฆ่าไก่ ได้ยินเสียงเงียบในชีวิตประจำวันเด่นชัดขึ้นปกติตามรู้ลมหายใจคืออะไรครับอาจารย์ก็อาจจะมีสติไวขึ้นสามารถรับรู้อะไรได้ไวขึ้นมากขึ้นถ้ามีสติมากขึ้นคุณสิริภาครับได้สภาวะสุขที่สุดโดยไม่ตั้งใจหลังการเดินไปมามันนั่งนิ่งๆมีความสุขแบบไม่เคยพบมาก่อนเกือบสองชั่วโมงแล้วทำไม่ได้อีกเลย ขณะนี้ได้แค่ความว่างสุขสงบบางวันสภาวะแรกคืออะไรและควรฝึกอย่างไรต่อไปครับก็ภาวะของสมาธิจิตนิ่งสงบมันก็จะเกิดแบบนั้นช่วงนั้นอาจจะเป็นช่วงที่ทุกอย่างมันลงตัวอมันก็เลยจิตก็เลยรวมแตพอผ่าน่ปนั้นไปแล้วเหตุที่สามารถมันรวมมันยังไม่มีพร้อมมันก็ยังไม่รวมก็ต้องพยายามฝึกสติต่อไปนั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นมากไปเรื่อยๆในวันหนึ่งบางที มันอาจจะไม่รวมตอนที่เรานั่งก็ได้นะมันบางทีมันมันมารวมในตอนที่เราไม่ไม่ไปคาดฝันไม่ได้ไปคิดถึงมันแต่เราอยู่ในสภาวะที่เราว่างจากทุกอย่างอาจจะอยู่ตามลำพังคนเดียวเราไม่รู้จะทำอะไรไม่ได้คิดจะทำอะไรใจว่างๆเฉยๆขึ้นมามันอาจจะไปสงบในตอนนั้นก็ได้แต่ตอนที่เรานั่งแล้วอยากจะให้มันสงบมันมันจะไม่สงบเพราะความอยากมันจะเป็นตัวขัดขวาง นอนทําสมาธิได้ไหมครับมันจะหลับมันจะไม่ได้ใสมาธิเพราะเป็นท่าที่สบายเมื่อมันสบายสติมันก็จะอ่อนสติมันก็จะหย่อนมันก็จะทําให้นับแทนที่จะเข้าสมาธิมันก็จะเข้าสภาวะหลับไปคุณนัตี้ครับถ้าเราชอบทําบุญทําถึงจุดหนึ่งรู้สึกว่ามันเกิดปัญญาว่าเราควรทําในระดับไหนแต่ก็ยังคงทําต่อไปและบางครั้งไม่ได้ทําบุญก็ไม่เป็นไร ไม่ทุกจากการไม่ได้ให้เหมือนแต่ก่อนแบบนี้เรียกว่าทานบารมีเต็มไหมครับถ้ายัางทำได้อยู่ก็ยังไม่เต็มใช้ใเต็มก็ต้อให้ไปหมดแต่แล้วก็ไปบวชอย่างนี้อั น, นทานบารมีได้เต็มร้อยเมีนเท่าไหร่ให้ไปหมดเลยแล้วก็ไปบวชการแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลเหมือนกันหรือไม่หรือไม่ครับไม่เหมือนกันหรอก คือการแผ่เมตตาก็คือการให้ความเมตตาต่อผู้อันจะแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําไม่ใช่แผ่ด้วยการสวดใช้เวลาพบปะกันแล้วก็ทักทายกันยิ้มย้ํยิ้มให้เขาให้ความสุขกับเขาอันนี้เรียกว่าเป็นการเป็นการให้ความเมตตาต่อกันเป็นมิตรกันแสดงความเป็นมิตรต่อกันถ้ามีเหตุอะไรที่อาจจะทําให้เราโกรธเขาก็ต้องให้อาภัยเขาไม่ถือโทษก่อกลืนกัน อันนี้ก็เป็นการแผยเมตตาส่วนการอุทิศบุญนี่มันอยู่ที่เราต้องทําบุญก่อนพอเรามีบุญแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญนี้ไปให้กับผู้ที่ร้งรับไปแล้วได้ซึ่งการอุทิศบุญนี้ก็จะถือว่าเป็นการให้ความเมตตาก็ได้เหมือนกันแต่มันไม่ได้หมายความว่ามันเหมือนกับเหมือนกับเมตตามันเป็นหนึ่งในวิธีการของการมีความเมตตาที่เรามีความเมตตาต่อผู้ที่ร้งรับไปแล้วเรารู้ว่าเขาต้องการบุญ เราก็เลยส่งบุญไปให้เขาอย่างนี้แล้วก็ถ้าเกิดเราแผ่เมตตาด้วยเราชดปุญดเลยคุณเสรีครับแนะนําแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดไม่สบายใจกรณีอุปกรณ์เครื่องมือเกิดหายไปหรือเสียหายโดยไม่ทราบบุคคลที่มาทําให้เสียหายจะไม่สบายใจมากครับก็ต้องมาว่าอุปกรณ์เหล่านี้เป็นของไม่เที่ยงเลยมีโอกาสที่จะเสียได้มีโอกาสที่จะหายได้ เรามันเป็นอนัตตาห้ามันไม่ได้ห้ามม่มันเสียไม่ได้ห้ามไม่ให้มันหายไม่ได้ถ้าเราอยากจะให้มันไม่หายไม่อยากให้มันเสียเราก็จะทุกข์ใจเสียใจถ้าล่ะอยากจะไม่เสียใจไม่ทุกข์ใจก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นของไม่แน่นอนครับถ้ามีเหตุให้เราหยุดการตั้งคันบาปไหมครับถ้าเรามีเจตนาจะทำให้มันหยุดเช่นทำแท้งนี้ก็บาปทำให้ ทานลบทีในทานงตายแต่ถ้าไม่เกิดจากอุบัติเหตุหกน้มขึ้นมาแล้วทำให้เกิดการตายนี้ไม่บาปเป็นถือว่าเป็นอุบัติเหตุไม่มีเจตนาขึ้น อ, อยู่ที่เจตนาบาปหรือไม่บาปอยู่ที่เจตนาคุณออฟครับถ้ารู้สึกว่ามีอารมณ์โกรธง่ายจะมีวิธีการควบคุมอย่างไรครับก็ไปแก้ที่เหตุของความโกรธถ้าแก้ได้ก็คือความอยากต่างๆ ใจเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่ง น, นี้อยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอเราไม่ได้ดังใจอย่างเราก็จะโกรธครับผู้เจ้าสอยเราฝึกสันโดษให้ยินดีตามมีตามเกิดอยากไปอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากไปอยากเป็นอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ได้จะเป็นอย่างนั้นก็ได้อย่างนี้เราก็จะไม่โกรธหรือถ้ามันโกรธแล้วเราก็ใช้คำบริการมพุทโธพุทโธยับยับ้งความโกรธได้ สวดมนต์ที่บ้านกับที่วัดได้บุญเหมือนกันไหมครับมันอยู่ที่ว่าสวดแบบมีสติแล้วไม่มีสติมไม่ได้อยู่ที่สถานที่ถ้าอยู่ที่ที่ไหนสวดด้วยการมีสติมันก็จะได้ผลได้ควาสมสงบได้ความสุขมันก็ได้บุญถ้าสวดแบบไม่มีสติไม่่วาจะอยู่วัดแล้วอยู่ที่บ้านมันก็ไม่ได้ผลมันก็จะไม่ได้บุญคุณอุไรครับ เวลาเข้าสมาธิรู้สึกสงบเหมือนนั่งนานมากในสมาธิแต่พอออกจากสมาธิผ่านไปแค่หกนาทีพยายามจะนั่งนานๆนนลุกเดินจงกรมบ้างแต่ก็ได้ไม่เกินหนาทีควรปฏิบัติเช่นไรครับต้ฝึกสติให้มากขึ้นฝึกสติก่อนที่จะมานั่งให้มากขึ้น <c oughs> หลังใส่บาทเราควรแผ่เมตตาอย่างไรให้ผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วได้รับผลบุญที่เราทำครับ เราไม่เรียกว่าแผ่เมตตาเราเรียกว่าอุทิศบุญเราทาบุญแล้วเราก็อุทิศบุญคือแบ่งบุญที่เราทํานี้ให้กับผู้ที่รองลับไปแล้วด้วยการดราลึกภายในใจว่าเขาอุาทิศบุญส่วนนี้ให้กับผู้นี้ผู้นี้ที่รู้ลลับไปแล้วท่านนี้ก็สำเร็จประโยชน์เราจะถือว่าการอุทิศบุญนี้เป็นการแผ่เมตตาก็ได้แต่เราไม่แผ่เมตตาเราอุทิศบุญ <c oughs> คุณว ร, รกัญญาครับ จิตออกจากร่างเห็นกายแค่อึดใจแค่ครั้งเดียวโดยไม่ได้ตั้งใจไม่ตั้งตัวพอรู้ตัวจิตกับกายแล้วและไม่เคยทําได้อีกเอาจิตจับลมหายใจจับกายกิริยาจับบทสวด ร, รู้ตัวทุกอย่างย่างก้าวแต่ก็ไม่เคยทําได้อีกจิตไม่สงบฟุง้งถ้าทําจับจิตให้นิ่งๆทุกทุกกิริยาจะสามารถถอดจิตหรือนําจิตออกจากร่างได้โดยรู้ตัวได้ไหมครับถ้ามีสติก็ทําได้ถึงขั้นก็คือสติ นังต้องพายามฝึกสติจะไบังคับจิตให้ยากโดยโดยการสั่งมันไม่ได้จิตจะแยกออกจากกายก็ตตอบเมื่อเรามีสติระงับความคิดปรุงแต่งตา่างๆจิตก็จะถอนออกจากร่างกายได้ถ้าเราไม่สวดมนต์แต่อยากนั่งสมาธิไปเลยได้ไหมครับได้การสวดมนต์ก็สำหรับคนที่นั่งสมาธิยังไม่ได้นั่งแล้วจิตฟุ้งซ่านก็สวดมนต์ไปก่อน พอหายฟุ้งซ่านแล้วก็มานั่งก็นั่งสมาธิต่อได้ถ้าเราไม่ฟุ้งซ่านเราทำสมาธิได้เลยก็ไม่ต้องฝึกส่วนมนต์ก็ได้แต่งโมครับเวลานั่งสมาธิจับลมหายใจรู้สึกว่าหายใจไม่สุดครับไม่ต้องไปกังวลกับลมหายใจจะสุดไม่สุดไม่ใช่หน้าที่ของเรา ม, มีแต่หน้าที่ดูลมก็ดูไปมันจะหายใจหายใจสั้นหรือยาวก็เป็นเรื่องของร่างกาย ไม่เกี่ยวกับเราตอนนี้หน้าที่เพีจะดูมันเท่านั้นเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ให้ใจเราไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆทําบุญใส่บาตรประจําแต่ไม่ได้กวดน้ําเลยได้บุญไหมครับคนทําบุญได้บุญแต่คนตายไว้นั้เราไม่ได้อุทิศให้เขาเข า, เขาก็ไม่สามารถรับบุญที่เราทําได้ถ้าเราอยากให้คนตายรับบุญเราก็ต้องอุทิศบุญโดยการน้เล็กภายในใจเราไม่ต้องใช้น้ําก็ได้เรียกกวดแห้ง คุณสุภัตราครับการเตรียมตัวตายสำหรับมนุษย์เงินเดือนต้องทําอย่างไรครับก็เห ม, มือนมนุษย์ทุกคนการมาต้องตายแล้วกันต้องยอมรับความตายให้ได้ถ้ายอมรับความตายได้ก็ถือว่าเราก็จะไม่ทุกข์เวลา ท, ที่เราตายถ้าเรานั่งฟังเทศแต่ใจจดจ่อที่พระเทศถือว่าเป็นการนั่งสมาธิไหมครับ คือการนั่งฟังแบบมีสตินี่ก็ถือว่าเป็นการนั่งฟังนั่งสมาธิไปในตัวแต่ใจเราต้องอยู่กับเสียงธรรมเสียงธรรมที่เข้ามาสัมผัสที่หูไม่ให้ใจลอยไปคิดเรื่องนั้เรื่องนี้ไม่ไปที่นู่นที่นี่ให้อยู่กับเสียงธรรมําเสียงธรรมนี่กลายเป็นเหมือนอารมณ์ของสมาธิอารมณ์ที่จะทําใจให้เข้าสมาธิเหมือนกับดูลมหายใจและเหมืนกับคําบริการพูดทดแทนให้แทนกันได้ คุณแตงโมครับถือศีลแปดสวดมนต์ทำวัดเช้าและกลับบ้านมาขายของเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดธรรมดาบาปไหมครับเรื่องการใส่เสื้อผ้านี้ไม่บาปแต่อย่างไดเป็นเรื่องของความเหมาะสมนั่นเองเรื่องเครื่องแบบเราไปวัดเราก็แต่งเครื่องแบบของคนไปวัดเราไปเที่ยวเราก็แต่งเครื่องแบบของคนไปเที่ยวมันเป็นเรื่องของการละเทศารู้รู้สถานที่รู้เวลา ว่าควรจะทำอย่างไรให้เหมาะสมชอบคิดมากกังวลจะทำยังไงดีครับอาจารย์หยุดมันสิให้กำเนิกับพุโทโธพุโทโธไปพ อ, อมันคิดก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธสู้กัมันไปเอาไปถ้าพุโทโธเรามีกำลังมากเราก็จะหยุดความคิดต่างๆได้คุณปิ่นเขียวครับสัมภเวสีมีจริงไหมครับ นี่เราเลืมศัพท์คำนี้แล้วไปว่ า, าสามเวสีไม่มน่ใจเดี๋ยวครูเราจะตอบไปแล้วถ้าเป็นวิญญาณที่ยังเวีนว่ายตายเกิดอยู่ก็มีจริงท่านเขามาเอาหมายของเขาทำไปเวสีคือจิตวิญญาณที่ยังท่องเที่ยวเวียนว่ายตายเกิดในตายพร้ออยู่ก็มีจริงบางวันเรารู้สึกมีความสุขขึ้นมาในใจอย่างนี้เป็นเพราะอะไรครับ ว่ามันไม่เที่ยงไงวันก็สุขวันก็ทุกข์มันเป็นอนิจจังคุณสิริวิทย์ครับบอกว่าได้ฟังธรรมพระอาจารย์แล้วรู้สึกเห็นแสงสว่างเห็นทั้งออกแต่พยยิจารณาชีวิตปัจจุบันเต็มไปด้วยกิเลสตัณหาร้อนใจต้องพิจารณาอยู่บ่อยๆใช่ไหมครับถึงจะระวางได้ได้ใช่ต้องพิจารณาอยู่เรื่อยๆให้เห็นว่าเป็นอนิจจังใหเห็นว่าเป็นยังเลื่อนตา เลี้ยงไก่ขายรู้ว่าแม่ค้าจะนําไปฆ่าอย่างนี้เราบาปด้วยไหมครับแล้วก็มีส่วนร่วมว่าเราได้ผลประโยชน์จากการฆ่าเราขายไก่ไปถ้ารู้ว่าเขาจะเอาไปฆาก็อย่าไปทําดีกว่าอย่าไปขายอย่า ท, ทําอาชีพนี้ดีกว่าเพราะมันเสี่ยงตอนต่อการกระทาบาปถึงแม้เราจะไม่ได้ทําโดยตรงแต่เราก็เหมือนช่วยสนับสนุนเขาให้เขาได้ให้ให้ได้ทําบาป อาจจะถือว่าถ้าไม่บาปก็ถือว่าเป็นวิจชาชีพไม่ใช่เป็นสามาชีพสามาชีพก็คือต้องทําอาชีพที่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิตของผู้อื่นไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ฆ่าไม่ฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์อย่างนี้เป็นต้นถึงแม้เขาจะไม่เอาไปฆ่าแต่ก็อากจะไปทรมานไ่ทําโทษเขาไปทําร้ายเขาอย่าทำอาชีพแบบนี้ดีกว่าคุณธนพงศ์ครับ อยากทราบว่านักปฏิบัติที่มีกำนัดทางเพศที่นักปฏิบัติที่มีกำนัดทางเพศสูงมีอารมณ์ราคะบึรนแรงนอกจากต้องสำรวมอินทรีย์แล้วต้องระมัดระวงังเรื่องอาหารการกินอยากทราบว่าอาหารประเภทใดเป็นอันตรายต่อ น, นักบวชครับเช่นนมไข่ครับของที่เป็นมันๆเนี่ยของมันๆทั้งหลายที่กินเข้าไปแนละ้วมันจะทําให้เกิดอารมณ์ทางเพศได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นต้องคอยคอยพิจารณาการ32อยู่เรื่อยๆด้วยต้องบันทึกพิจารณาการ32ส่วนอาหารนี่มันจะไปกระตุ้นให้เกิดอารมณ์เกิดเกิดขึ้นมาได้ง่ายก็มีวิจัยใ น, ในยุคที่คนนี่เวลาข้ายากหมาแพงมีการอดอดหยากมักจะมีการผลิตรูงน้อยลงกับเวลาที่ช่วงที่ก็อยู่กันอย่างอิน ม, มีพิมัน อายุไหนที่มันอยู่กันอย่างอิ่มมีพีมันนี่จะผลิตร่วมกันมากแต่ในอายุแต่ลลที่อดอยากขาดแคลนนี่มันไม่มีอารมณ์ที่มันมคิดถึงเรื่องเรื่องการอะไร่เพราะมันจะคิดถึงแต่เรื่องการหากินหาอยู่ไปการย้ายรังนกบาปไหมครับไม่บาปหรอก คุณเตเต้ครับเราไม่สามารถอุทิศบุญให้คนเป็นได้ใช่ไหมครับเช่นเราไปทาบุญแล้วอยากแบ่งให้บิดามารดาพี่น้องที่ยังมีชีวิตอยู่ครับไม่ได้หรอกถ้าอยากให้เขาได้บุญก็ชวนเขาไปทำบุญด้วยอยากหนีจะครอบครัวไปบวชถือศีลถ้าหนีไปโดยไม่บอกกล่าวจิตไม่สงบไม่มีสติเกิดอบายในทางโลก ถ่าหนีโดยไม่บอกเราจะบาปมากไหมครับไม่อยากมีกรรมติดตามเพราะถ้าบอกคงไม่มีใครให้ไปครับก็เหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็หนีไปถ้าบอกก็ไปไม่ได้ไม่บาปหรอกอาจารย์ครับถ้าเราเคยอาบัติสังฆาทิเศษแล้วยังไม่ได้เข้าปริวาส ก, กรรมเท่ากับว่าเราจะไม่ได้สมาธิเพราะศีลไม่ครบใช่ไหมครับ ไม่ใช่แล้วมันอยู่ที่ว่าเรามีสติแล้วไม่มีสมาธิมีสติแล้วไม่มีสมาธิไม่มีสติมากกว่าการเข้าสมาธิมันไม่ได้อยู่กับที่ศีลที่เราโบกพ่อไปแล้วในอดีตมันผ่านไปแล้วถ้าเรายังสามารถเจรินสติให้มีกำลังที่จะเข้าสมาธิได้มันก็เข้าสมาธิได้มันการจะเข้าสมาธิมันไม่ด้อยู่ที่ศีลเพียงแต่วาศีลมันจะช่วยให้ให้เรามีมีเวลาสร้างสติได้มากขึ้น พราะถ้าเราไปไม่ถึงสีลแปดแล้วก็มักเหุถูกการมโลมฉุดหน้าให้เราไปหาความสุขทางการมโลมแทนมันก็เลยทําให้เราไม่มีเวลามากพอที่จะมาเจริญสติเมื่เข้าสมาธิแทนหนึ่ ง, งมีญาติขายเบ็ดและอุปกรณ์ตกปลาคิดว่าเป็นหนทางสู่การฆ่าสัตว์ควรจะบอกเขาดีหรือไม่เกรงว่าเขาจะไม่เข้าใจครับก็ อ, อยู่ที่เขาถามเราหั้อไม่ถ้าเขาถามเราก็บอกเขาได้ ถ้าเขาไม่ถามเขาไม่ควรที่จะไปยุ่งกับเขาเดี๋ยวเขาจะด่าเรากลับมามันเรื่องอะไรของคุณนลคุณอังคณาพรครับปฏิบัติธรรมกับแฟนตลอดมาเวลาจากกาันใจไม่ได้กังวลเพราะสาเหตุใดครับก็เพราะเราปล่อยวางได้ถ้าเราปฏิบัติธรรมใจเราก็จะสงบใจสงบก็จะสามารถปล่อยวางสิ่งต่างๆได้ง่าย ถ้าลงทุนในตลาดหุ้นหรือตลาดเทรดแล้วได้กําไรบาปไหมครับเพราะกําไรเราเอามาจากคนที่เสียงเงินครับไม่บาปเราเป็นการซื้อขายสินค้าซื้อหุ้นก็เป็นการซื้อซื้อสินค้าอย่างหนึง่งเป็นกาขายหุน้นถ้าเราได้กําไรแล้วว่าขายคนที่ขาดทุนก็เป็นคนที่ซื้อของมาแล้วซื้อของแพงมาขายของถูกอะ่รเงี้ยเขาก็ขาดทุนคนที่ซื้อของถูกมาขายของแพงก็กําไรครับไม่บาปเป็นการ ซื้อขายมันเป็นธุรกิจคุณจุไรรัตครับเมื่อตบยุงให้ตายเท่ากับผิดศีลห้ามากไหมครับแพ้ยุงมากอดค่ายุงไม่ได้ครับก็ผิดศีลข้อหนึ่งไงการฆ่าสัตว์ตชีวิตพ่อแม่เสียแล้วเราไม่เคยทําบุญให้เลยบาปไหมครับไม่บาปเพียงแต่เขาอาจจะไม่ได้บุญจากเรา เ, เราไม่ส่งสเสบียงไปให้เขาเท่านั้นเอง พนสิทิวันครับมีบางคืนที่กําลังจะนอนหลับแล้วจุ่ๆก็มีความคิดเข้ามาทําให้คิดมากขึ้นมีเรื่องมาให้คิดเรื่อยๆเราจะกําหนดจิตไม่คิดแล้วนอนหลับได้อย่างไรครับโดใช้กรรมนิยกรรมพุโทโธพุโทโธคอยสกัดการาก่อ น, นคิดให้ไมนคิดถ้าเาอยู่กับพุโทโธมันก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆได้แล้วสภาพใจเราก็จะหลับได้เพราะไม่คิดถึงเรื่องราวต่างๆางรกรรมริยกรรมของเราก็อา จ, จะหยุดหยุดแล้วเราก็จะหลับได้ หลับตากำหนดดูลมแต่จับไม่ได้แต่ดูจิตเขานิ่งเฉยเฉยอย่างนี้เรียกว่าดูจิตใช่ไหมครับก็จะว่าดูจิตก็ได้เห็นแต่ว่าการดูจิตนี่มันังไม่ทำให้จิตเน่งถ้าดูจิตแล้วทำให้จิตเน่งได้ก็ดูจิตก็ได้แต่ส่วนใหญ่เราคิดว่าถ้ายังไม่มีสติพอเนี่ยถ้ายังไม่มีสมาธินี่ดูจิตไม่ได้จิตจะไม่นิ่งยูว่ามันจะไม่นิ่ง ถ้ามีสมาธิแล้วดูจิตเพราะจิตคิดเราก็สั่งให้มันหยุดคิดได้มันก็นิ่งได้คุณวิไลครับถ้าเราไปเที่ยวต่างประเทศและมีการลองทานเบียร์ที่ไม่เคยทานแบบนี้ผิดศีลห้าไหมครับก็ผิดนะผิดนะก็ดื่มชาลายามาแม้แต่หยดเดียวก็ผิดนะแต่ผิดมากผิดน้อยเท่านั่นเองหยดแดงกับขวดหนึ่งนีมันอันไหนมันจะมากกว่ากันนะ ไห น, นกินไปแล้วก็สะขวดไปเลยท่านว่าอย่ไปอย่าไปชิมไงเพรไปชิมนี่อดไม่ได้ครับตั้งจิตงดเนื้อสัตว์แต่ห้ามใจไม่ได้ไปแล้วว่าจิตไม่ตั้งมั่นใช่หรือไม่ครับยังไม่ไม่มีกําลังหยุดสู้กิเดลสไม่ไหวสู้ความอยากไม่ไหวความอยากกินอยากอยากไม่ได้อยากอะไรนะไม่ทราบาากกนเลย อ, อยากกินเนื้อสัตวครับอยากกินเนื้อสัตวนะ์ น, นนะ ความามอยากจะหยุดกับสู้สู้ความอยากอยากจะกินไม่ได้ความอยากจะกินมีกำลังมากกว่าคุณลดสุคนครับขอากาสครับการนั่งสมาธิจิตแสสายไปมาพุโทโธพุโทโธแล้วแต่ยังไม่นิ่งมีวิธีจัดการหรืออุบายอย่างไรครับก็ต้องพุโทโธต่อไปจนกว่ามันจะนิ่งเหมือนกินยานะถ้ากินยาแล้วอาการยังไม่หายก็ต้องกินไปเรื่อย ไปแลเนี่ยเถ้ า, ายามีกำลังมากพอก็จะทำให้อาการหายได้พุโทโธก็เป็นวัญญา ร, รักษาจิตเหมนให้จิตสงบถ้าพุโทโธนั้นมันยังไม่สงบเราก็ต้องพุโทโธต่อไปอ ย, อย่าหยุดพุดโทโธทุกครั้งที่นั่งสมาธิแล้วเสร็จควรจะต้องแผ่เมตตาทุกครั้งไหครับการแผ่เมตตาไม่ได้แผ่ด้วยการสวดนะการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทำ เช่นราไปเจอใครแล้วก็แสดงความบนมันเทิงต่อเขาอยากให้เขามีความสุขก็ซื้อของไปฝากเขาให้เป็นต้นอันนี้คือการแผ่เมตตาต้องแผ่ด้วยการกระทําการส่วนนี้ไม่ได้เป็นการแผ่เมตตาเป็นการเป็นการเรียนรู้วิธีแายเมตตาว่าแผ่ยังไงนั่นเองคุณอนุมาครับเวลาสวดมนต์แล้วรู้สึกได้กลิ่นเหมือนทูบหอมคือจิตปรุงแต่งไปเองหรือเปล่าครับ ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าไม่ปกติมันไม่มีไม่มีกลิ่นอะไรแล้วเวลาเราสวดมนต์นั่งสมาธิแล้วรู้รรสึกมีกลิ่นนี่ก็แสดงว่าเป็นเรื่องอุปทานจิตปรุงแต่งขึ้นมาเองโยมปวดหลังขอนอนสวดมนต์ได้ไหมครับได้เพียงแต่ ว, ว่ากลัวจะหลับเท่านั้นเองสวดไปเดียวเดียวเดี๋ยวมันจะหลับง่ายกว่าจิตแทนนี่สงบเป็นสมาธิก็จะหลับแทนก็จะไม่ได้ผลจากการสวดมนต์ การสวดนต น, นี้ก็เพื่อทําใจใ ห, ให้สงบให้นิ่งนั่นเองแต่ถ้าสวดไปแล้วหลับมันก็จะไม่ได้ผลคุณวิไลครับถ้ามีการนัดกันบ้างกับญาติสังสรรค์ทานข้าวเล่นไพ่แบบมีเล่นผ้านันตาละสิบบาทถือว่าเป็นการผิดศีลห้าไหมครับไม่ผิดหรอกการเล่นงานรพนั้นนี้ถือว่าเป็นอวัยมุกแต่ถ้าเล่นกานันเพื่อเป็นการเป็นการเป็น เป็นการฆ่าเวลาหรือเป็นการอะไรไปไม่ได้หวังผลกําไรจากการเล่นนี่ก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ถือว่าเป็น อ, อาบายยมุกอาบายยมุกก็คือหมายความว่าเราเล่นเพื่อที่ยาวเป็นรายได้เป็นการเลี้ยงชีพของเราเล่นเป็นอาชีพอย่างเงี้ยถึงจะเรียกว่าเป็น อ, อาบายยมุกเวลาสวดมนต์จำเป็นต้องใส่ชุดขาวไหมครับไม่จำเป็นหรอแกแค่ผ้าสวดก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวเนี่ย อยู่ในห้องน้ำอาบน้ําหนูอ ย, อยากจะสวดมนต์ขึ้นมาก็สวดไปก็ได้อาบน้าไปก็สวดไปก็ได้เพียงแต่ยาวเสียงดังเดีวกบชาวบ้านก็จะว่าอยากถามว่าคนที่ตายกระทันหันก่อนตายเขาไม่ได้นึกหรือคิดจิตสุดท้ายเมื่อตายไปไหนครับบุญกระบาเขาจะเป็นผู้จัดการกจิตสุดท้ายหว่าจะไปไปสวรรค์หรือไปอะไร อยู่ที่บุญกับบาว่าอันไหนมีกำลังมากกว่ากันรับประทานเนื้อสัตว์บาบไหมครับถ้าไม่ไปฆ่าไม่บาบถ้าไปฆ่าก็บาบอยู่ที่การฆ่าเลยไม่ฆ่าไม่ได้อยู่ที่การรับประทานหรือไม่รับประทานคุณพัชราครับเวลานั่งภาวนาในที่เงียบๆแล้วจิตไม่สงบแต่พอภาวนาในที่มีเสียงดังจิตกลับสงบแก้ไขอย่างไรครับ ก็ไม่ต้องแก้ไขก็ไม่ภาวนาะที่มั น, ท, มนที่มันมีเสียงดังที่ไหนทําให้จิตสงบก็ไปทําที่นั่นก็แล้วกันทุกวันอาทิตย์ไปนั่งสมาธิฟังธรรมอยู่บ้านก็ฟังธรรมะอีกอย่างนี้หมกมุ่นไปไหมครับไม่หรอกการฟังทํามนี่เนการศึกษาเป็นการเรียนรู้เป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์ไม่มีโทษแต่อย่างใดยิ่งรู้มากยิ่งทําให้ จิตใจมีแสงสว่างนำพาชีวิตไปในทางที่ที่ดีที่งานได้มากขึ้นคุณธนพงศ์ครับตอนนี้ผมอายุ25ปีไม่อยากทำงานเคยบวชแล้วอยากบวชอีกอยากปริกวิเวกอยากปฏิบัติธรรมแต่พ่อแม่ไม่เห็นด้วยกับการบวชบอกว่าเอาแต่พอดีแบ่งเวลาหางานสอบราชการขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับเมเป็นชีวิตของเราเนะี่ยเราจะไปทาหาไปก็เป็นเรื่องของเราเราโตแล้ว มันจะไปทํางานก็ได้เราจะไปบวชก็ได้มันเป็นเรื่องของเราที่เราจะเลือกเอาพระอาจารย์ครับสวดมนต์ไหว้พระทําให้รวยได้ไหมครับไม่ได้เราะนอกจากว่ามันเห็นบังเอิญมันถึงเวลาที่จะรวยขึ้นมาแล้วเราไปสวดมนต์เราไปโยงว่าการสวดมนต์ทาให้เรารวยขึ้นมาแต่การรวยนี่มันเป็นเรื่องของกฎของไตนะักของวันนี้จังไม่แน่นอนความรวยเนี่ยราบนยมสันรเสร์นนี่มันเป็นเรื่องของที่ไม่แน่นอน อันนีคันนีมันก็จะรวยขึ้นมาก็ได้ถือหัวขึ้นมาถือออเดอร์รางวัลที่หนึ่งขึ้นมาก็ได้อันนี้เป็นเรื่องของอา น, นิจจมไม่มีอานที่แน่นอนไม่เกี่ยวกับการสวดมนต์แลไม่สวดมนต์บุญแจมครับทําอย่างไรให้เกิดปัญญาเห็นความไม่เที่ยงละความอยากคลายกําหนับอย่างแท้จริงครับใช้อุบายพิณาอย่างไรดีครับก็เช่นดูร่างกายของเราที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆนี่นก็เป็นความไม่เที่ยงอย่าง ตอนเกิดมาก็เป็นทารกแล้วก็ค่อยเริ่มเติบโตขึ้นมาจนกระทั่งเป็นเป็นตัวเป็นตนหนึ่งในขณะนี้แล้วต่อไปมันก็ต้องแก่ลงไปแก่ลงไปและในที่สุดมันก็ต้องตายไปก็พิจารณาอย่างนี้ไปก็จะเห็นความไม่เที่งของร่างกายอย่างอื่นก็ดูดอกไม้ดอกไม้เวลาที่ก้าวขายมันก็ดูสวยสดสวยงดงามพอเรามันพังในแจกันบูชาพระได้สองสาวันอ่ะมันก็เชียวมันก็เฉามันก็เหี่ยวแห้งกรอบไป อันนี้ก็ดูความไม่เที่ยงรถยนต์ที่เราซื้อมาวันนี้มันก็ใหม่เอีย่ยมกลับไปสักระยะหนึ่งสี่ห้าปีมันก็เก่าอันนี้ก็เป็นความไม่เที่ยงเหมือนกันคำถามสุดท้ายครับอาจารย์ครับนั่งสมาธิได้สาสิบนาทีถึงหนึ่งชั่วโมงโดยไม่รู้สึกทรมานแต่บ่อยครั้งที่รู้สึกร่างกายมือไม้เกรง็งฝืนไปมาแรกๆพยายามดึงตัวเองกลับมาแต่ล่าสุดลองปล่อยให้เป็นไปอย่างนั้นและบริกรรมว่าช่างมันช่างมันอย่างใดถูกต้องครับ คือเรานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้เราสงบนะเวลาเานั่งเรา่็ไม่คุนกังวนกับเรื่องของร่างกายมันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันไปให้เราอยู่กับคําบริกรรมไปเรื่อยๆขอบอกาสกับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังพามอยู่ในเฟซ844ท่านนะครับในยู510ในคับเฮาส์7ในทิกตอก653มีเพื่อนๆฟังพามอยู่ 2,014 คนครับอาจารย์ครับ วันนี้ลดลงมาหน่อยขึ้นขึ้นลงลงอันนี้จัง <c oughs> ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาก็ยินดีกับทุกท่านที่มีความสนใจในธรรมหวังว่าการสนทนาธรรมในคืนนี้คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยเพื่อที่จะได้นำเอาไปพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้นไปตามลําดับการแสดงธรรมสลับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่นนเวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจารณาไปปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมยิ่ย ง, งขึ้นไปเถิดสาธุก็ข อ, อนาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์เข้ากันใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าเวลาเดิมขอเจริญพรกับขอบพระคุณมอาจารย์ครับ